จเจริญพรอันอยมทุกท่านหลวงพ่อขอแสดงความยินดีนะที่พวกเราสนใจธรรมะคนที่สนใจธรรมะมันจะพ้นทุกบางคนเก็รู้สึกธรรมะเป็นเรื่องเฉยๆล้าสมัยไม่รู้หรอกว่าธรรมะคืออะไรก็คิดไปอย่างนั้นแหละถ้ารู้ว่าธรรมะคืออะไรนะจะไม่รู้สึกว่าเฉยหรอกว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือความจรงิงความจริงมันเฉยไปไม่ได้หรอกงั้นถ้าเมื่อไรเราสนใจศึกษาธรรมะเราจะเข้าใจความจรงิง ความจริงของอะไรความจริงของชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเรานะก็ประกอบด้วยสองส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมนะทางร่างกายกับส่วนที่เป็นนมามธรรมทางใจตัวรูปธรรมนมามธรรมนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตัวทุกถ้าคนไหนรู้ทุกแจ่มแจ้งแล้วคน น, น, นั้นจะพ้นทุกถ้าเราเรียนปฏิบัติธรรมก็คือคอยมีสติรู้กายรู้ใจแนละวันหนึ่งเราจะพ้นทุกแต่ถ้าเราเอาแต่อยากพ้นทุกนะแต่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไง ดินรนตะเกียกตะกายไปวันหนึ่งวันหนึ่งอยากจะพ้นทุกข์แต่ไม่รู้วิธีใครๆก็อยากพ้นทุกข์นะใครๆก็อยากมีแต่ความสุขล้นล้นแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะเราก็ก็ไม่รู้วิธีหรอกกล้าพูดนะกล้าพูดอย่างนี้เลยวย่าถ้าไม่ได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะทําได้แค่บำบัดทุกข์เป็นคราวๆเท่านั้นแหละเราไม่สามารถพ้นทุกข์ถาวรได้จริงหรอกคนทีท่พ้นทุกข์ถาวรได้จริ ง, รงๆนะก็เรียกว่าพระอรหันต์ คนทั่วทไปก็กลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์วิ่งหนีความทุกข์ในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์คือให้คอยรู้กายให้คอยรู้ใจไปนิยามคําว่าทุกข์ในศาสนาพุทธไม่ใช่สิ่งอื่นนิยามคําว่าทุกข์ในศาสนาพุทธคือขันนั่นคือกายกับใจรูปานามให้รู้รูปนามตามความเป็นจริงรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงเรียกว่ารู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แก่แจ้งเมื่อไหร่จะละสมูทยัยละเอง ใจจะหมดตันหาั้งหมดความดิ้นรนโดยอัตโนมัติสังเกตที่ใจเราสีใ จ, ใจของเราดิ้นตลอดเวลารู้สึกไหมยอมรับไหมว่าใจของเราดิ้นรนตลอดมีใครเคยรู้สึกบ้างว่าเรามีความสุขที่แท้จริงมีใครรู้สึกไหมในความเป็นจริงแล้วเราไม่เคยสัมผัสความสุขแบบถึงอกถึงใจจริงๆหรอกตั้งแต่เราเด็กๆเราก็เคยคิดนะว่าเรียนหนังสือจบกอโตขึ้นก่อน พึ่งตัวเองได้แล้วไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งผู้ปกครองเราคงมีอิสระเราคงมีความสุขเนี่ยเราอยากมีความสุขนะรู้สึกเป็นเด็กถูกบังคับมากๆมีความทุกข์พอโตขึ้นมาเรียนหนังสือจบใช่ไหมมาทํางานมีความสุขไหมเราก็ยังต้องคิดต่อไปอีกนะต้องรวยๆแล้วจะมีความสุขมีตําแหน่งใหญ่ๆแล้วจะมีความสุขถามว่าแล้วมันมีความสุขไหมต่อไปก็ต้องคิดอีกนะต้องมีครอบครัวถ้าถึงจะมีความสุข ได้แต่งงานกับคนดีๆใช่ไความสุขของเราพี่อิงคนอื่นตลอดเลยหลังจากนั้นก็ต้องมีลูกดีๆถึงจะมีความสุขถามหน่อยคนที่มีลูกมีความสุขไหมดูสิดูลงไปนะว่าเราเที่ยววิ่งหาความสุขมาตั้งแต่เล็กๆวิ่งไปเรื่อยจนวันนึงแก่คนแก่เนี่ยนั่งเฉยๆก็เจ็บปวดนะเดี๋ยวเคล็ดโน่นยอกนี่ไม่สบายอยู่เรื่อยๆเพราหวังนะวันไหนไม่เจ็บไม่ป่วยคงจะมีความสุข หวังไปอีกเรื่อยๆนะความสุขมันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จนกระทั่งวันหนึ่งเจ็บหนักพอเจ็บหนักมันทุกข์ทรมานมากเราก็นึกอีกนะว่าตายซะได้คงจะมีความสุขรูสิจนถึงตายนะยังคิดว่าตายแล้วจะมีความสุขอีกตั้งแต่เล็กๆก็โตขึ้นแล้วจะสุขจนถึงแก่แล้วตายได้คงสุขอีกแล้วทุกคนนะวิ่งจะหาความสุขไปเรื่อยความสุขอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ในอนาคตตลอดเวลาเลยทาไมปัจจุบันไม่มีความสุขทีอ่ะ พระพุทธเจ้าทรงคนพบความจริงข้อหนึ่งว่าถ้าใจเราไม่มีความสุขนะอยู่ตรงไหนก็ไม่มีความสุขหรอกถ้าใจเราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนะพ้นจากความปรุงแต่งอย่างแท้จริงนะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเงั้นเราต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆฝึกรู้สึกได้ยิน แ, แววๆว่าคุณตาไนจะให้หลวงพ่อพูดเรื่องอะไรนะอะไรในชีวิตประจำวันการเจริญสติแล้วโอ้ดีมากนะหลวงพ่อเนี่ย ถาเราเจริญสติในชีวิตประจําวันได้ก็คือเราจะสามารถรู้กายรู้ใจในชีวิตประจําวันนี้ได้ถ้าคนไหนรู้กายรู้ใจในชีวิตประจําวันได้นะจะดีตั้งแต่ปัจจุบันเลยปัจจุบันก็จะเริ่มมีความสุขมีความสุขเป็นลําดับลําดับไปจนรู้แจ้งในธรรมะนี่ก็จะมีความสุขเป็นลําดับลําดับไปพ้นทุกไปเรื่อยๆตัวการเจริญสตินะั้นสําสคัญนะเป็นวิธีการเป็นวิธีการแต่ก่อนจะมาถึงขัน้นการเจริญสตินะ ต้องเรียนบทเรียนอื่นๆก่อนการเจริญสติรู้กายรู้ใจ เ, เรียกว่าการเจริญปัญญาเป็นปัญญาศิก KA ก่อนจะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เราต้องมีบทเรียน2บทก่อนบทเรียนที่หนึ่งนะชื่อว่าศีลสิกขาพวกเราอย่าประมาทนะพวกเรารู้สึกศีลไม่ใช่เรื่องสําคัญศีลสิก k าคือการเรียนเรื่องศีลสาคัญมากศีลเหมือนพื้นฐานเลยถ้าเราปรับที่ไม่ดีเราสร้างตึกใหญ่ๆตึกก็ถล่ม เราคิดว่าเราจะไม่ต้องมีศีลเราปฏิบัติทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะดีเองมันไม่ดีหรอกเราทําสมาธิสมาธิก็กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสเราจเจริญปัญญาปัญญาก็กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปหมดนั่นเราจะต้องฝึกตั้งแต่เบื้องต้นเลยคนไหนไม่เคยมีศีลต้องฝึกขึ้นมานะศีลเนี่ยมันเป็นความสำรวมระวงังเป็นเจตนาที่จะงดเบ้นการทําชั่วทางกายทางวาจาอันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดเดยอะอ่ะนะ เดี๋ยวไปให้แอ SI ายหนังสือให้อ่านนะหนังสือชื่อวินะมุติมัตหลวงพ่อเขียนไว้เล่ไม่โตเท่าไหร่แต่อ่านยากต้อโฆษณาหน่อยก็เผื่อจะแจกออกไม่ใช่ขายออกนะว <c oughs> <laughs> ิธีที่เราจะมีศีลนะศีลม่มีหลายระดับศีลเบื้องต้นเลยศีลห้าศีลแปดศีลสิบอนะไรพวกนี้ยศีลเป็นข้อข้อมันก็ดีเหมือนกันนะแต่สําหรับคนเราที่จะหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันหรือหัดปฏิบัติธรรม ถ้ามีภาสนากรรมฐานที่แท้จริงนะมันจะมีสี่นิชชนิดหนึ่งชื่ออินทรียสังวรศีลอินทรียสังวรศีนี่เป็นความสำรวมอินทรีย์เกิดจากการสำรวมอินทรีย์หมายถึงตามองเห็นรูปเวลาตาเรามองเห็นสมมุติว่าคุณตาไนเนี่ยไปเห็นสาวนี่ตามองเห็นจิตไม่เกิดชอบขึ้นมาชอบสติรู้ทันมีสติรู้ทันจิตซึ่งยินดีกับรูปนี้ขึ้นมา กิเลสคือราคาก็จะย้อมจิตไม่ได้เนะพราราคาย้อมจิตไม่ได้ถามว่าจะทําผิดศีลข้อสามไหมก็ไม่ทําผิดใช่ไหมไม่มีศีลขึ้นมาเองหรือสมมุติว่าคุณสุทธาคุยกับคุณดนานัยคุยไปคุยมาขัดใจกันเนะนี่โทสะเกิดแต่คุณสุทธาก็มีสตินะเห็นโทสะกําลังผุดขึ้นมาจากกลางหน้าอกเนี่ยผุดขึ้นมาเขามีสติรู้นะโทสะจะสลายตัวไปโทสะครอบงาจิต ขอคนสุดทายไม่ได้คนสุดท้ายเขไม่ชกคนไหนเห็นไหมสินข้าหนึ่งก็เกิดแล้วไม่ด่าด้วยเห็นไหมสินข้าวสี่ก็เกิดแล้วหรือเราไปเห็นของคนอื่นเขาสวยงามอยากได้เรามีสติรู้ทันจิตที่มันอยากได้ความอยากมันไม่ครอบงําจิตเราไม่ขโมยของใครหรอกนี่เราฝึกนะเราฝึกค่อยมีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นจากใจเราเนี่กิเลสเกิดขึ้นเรารู้บ่อยๆเดี๋ยวศีลมันจะเกิดขึ้นศีลชนิดนี้จะเป็นศีลที่ไม่ลำบาก เหมือนศีลที่เราไปเลือกถือเป็นข้อข้อศีลที่ถือเป็นข้อข้อน่ะมันรักษายากอย่างบางคนก็ก่อนจะทําอะไรต้องอารัธนาศีลก่อนใช่ไหมรัธนาศีลนะพระให้ศีลจบปุ๊บศีลก็เริ่มขาดละเริ่มพูดเปิดเจอจกแจกจแจ๊กจกแจ๊กนะศีลเริ่มแบ่งแบ่งแบ่งนะพอหลวงพ่อเทศจบแลศีลขาดไปหลายข้อแล้วเอ้ศีลอย่างนั้นศีลลาบากแต่ดีเหมือนกันเป็นศีลทางจริยธรรม แต่ศีลของนักปฏิบัตินะี่ก็คือการที่เรามีสติรู้ทันใจของเราไว้กิเลสจะย้อมใจเราไม่ได้ถ้ากิเลสย้อมใจไม่ได้ไม่ทําผิดศีลห้าหรอกศีลไม่ใช่มีอัตโนมัติขึ้นมานี่พอเราฝึกนะมีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่ผุดขึ้นในใจเรื่อยๆต่อไปจิตใจเราจะพัฒนาต่อไปอีกก็เรามีศีลที่เป็นอัตโนมัติแล้วอย่างนี้เรียกว่าเรามีพื้นฐานที่ดี แ, แต่นี้สําคัญนะพวกเราอย่ า, ยาละทิ้ง บทเรียนที่สองที่เราต้องเรียนนะชื่อว่าจิตศิกขาจิตสิกขาคือการเรียนเรื่องจิตหลวงพ่อเคยได้ยินบ่อยๆนะแต่ก่อนเนี้ยไปที่ไหนที่ไหนนะไม่มีใครอยากเรียนเรื่องจิตสิกขาบอกฉันรักษาศีลห้าแล้วฉันจะเจริญปัญญาเห็นไหมทิ้งบทเรียนไปบทหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนไตรศิกขานะไตรศิกขาสิกขาเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตคือคําว่าศึกษา นั่นหน้าที่ของชาวพุทธต้องศึกษาศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องการเจริญปัญญาอย่งอยู่ๆศีลก็ยังไม่มีนะไม่มีสติไม่มีอินทรียสังวรไม่สำรวมจิตถูกกิเลสลากไปเรื่อยๆไม่เคยรู้ทันจิตตนเองอยู่ๆก็ไปลงมือทํำวิปัสสนามันขึ้นวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกเพราะเราเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพไปทํำวิปัสสนา ก่นที่หลงพ่อจะบวชนะหลวงพ่อเที่ยวตะเวนไปเยอะเลยตามสำนักปฏิบัติต่างๆเยอะแยะนะเที่ยวไปดูที่เขาปฏิบัติกันบางสำนักเนี่ยบอกว่าจะทําแต่วิปัสสนาล้วนๆแล้ว เ, เขาจริงติดสมถะกลายเป็นสมถะไปหมดเลยหาคนทําวิปัสสนาจริงๆนะหายากมากเลยแต่ละแห่งแต่ละแห่งพอลงมือปฏิบัติทีไรเป็นสมถะทุกทีเลยทําไมมันพลาดไปได้อย่างนั้น เพราะเราไม่รู้ว่าจิตชนิดไหนมันเป็นจิตที่ใช้ทาสมถะจิตชนิดไหนเป็นจิตที่ใช้เจริญปัญญาจิตชนิดไหนเป็นกุศลหรืออกุศลนี่ไม่รู้เลยการเรียนบทเรียนที่สองที่ชื่อจิตตศิขาเนี่ยจะตอบคำถามข้อนี้ได้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลจิตชนิดไหนเป็นกุศลที่ใช้ทาสมถะชนิดไหนเป็นกุศลที่ใช้เจริญวิปัสนาจิตเหล่านี้ไม่เหมือนกัน ถ้าพวกเราไม่เคยเรียนเลยนะเราจะเอาจิตที่เป็นอกุศลนี่แหละมาเจริญมิปัสสนาหรือดีขึ้นมาหน่อยเอาจิตที่ใช้ทําสมถะนี่แหละมาทํามิปัสสนายกตัวอย่างนะเรารู้จักไหมลักษณะของอกุศลจิตเป็นยังไงบ้างอากุศลจิตก็คือจิตซึ่งมันมีกิเลสย้อมอยู่เรามีสติรู้ทันไหมว่ากิเลสแอบเข้ามาอยู่ในจิตไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆนะต้องสังเกตมากเลย คอยสังเกตจิตใจตัวเองเรื่อยๆนี่เรียกว่าจิตต่อสิกขานะคอยสังเกตจิตตัวเองไปบ่อยๆพอทันทีที่กิเลสเกิดขึ้นจิตเป็นอกุศลรจิตเนี่ยลักษณะทั่วๆไปของอกุศลจิตจิตนั้นมันจะหนักๆแต่จิตที่เป็นกุศลมันจะมีราหูตามันจะเบาจิตที่เป็นกุศลนะมันจะนุ่มนวลจิตที่เป็นอกุศลมันจะแข็งแข็งเพราะฉะั้นถ้าหากพวกเราลงมือปฏิบัตินะแล้วจิตของเราเป็นนี้นะหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะอกุศลนะ จิตที่เป็นกุศลนะปราดเปรียวนะถ้าอย่างนี้อกุศลนะถ้าเมื่อไรจิตที่เป็นกุศลนะจิตที่เป็นมหากุศ ล, ลจิตเนี่ยจะต้องมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความคล่องแคล่วว่องไวมีความควรแก่การงานคือไม่ถูกกิเลสครอบงำมีความซื่อตรงในการรู้อารมณ์สังเกตดูให้ดีพวกเราที่ว่าทำวิปัสสนาทำวิปัสสนามีจิตอย่างนี้ไหม ถ้าลงมือปฏิบัตินะใจก็เครียดเครียดใจก็แข็งแข็งใจก็หนักหนักแน่นแน่นซึมซึมทื่อๆนั่นอากูสรจิตเนี่ยเพราะเราไม่เรียนจิตสิกขาให้ดีนะแล้วเราก็ไปทําอากุสรจิตเพียงเอาบังคับเอากําหนดเอาควบคุมเอามีแต่บังคับกดขี่จิตใจตัวเองไปเรื่อยนะบังคับกายบังคับใจยิ่งภาวนายิ่งเครียดถ้าภาวนาแล้วเครียดทําผิดนะผิดแน่นอนเลยมันทําด้วยโลภะอยากก่อน อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากได้มรรคผลนิพพานอยากดีอยากสงบอยากสุขพอมีความอยากเกิดขึ้นก็เริ่มบังคับตัวเองแล้วพระเจ้าสอนให้รู้กายตามความเป็นจริงให้รู้จิตตามความเป็นจริงเรากลับไปบังคับกายบังคับจิตการบังคับกายการบังคับจิตเช่นเวลาเราจะเจริญสติรู้ลมหายใจต้องวางฟอร์มก่อนนะบังคับกายให้เรียบร้อยก่นอนแล้วเรียบร้อยต่อไปบังคับจิตให้ซึม ทําให้ดูนะใครดูหน้าได้ก็ดูหน้าไปใครดูจิตได้ก็ดูไปการที่บังคับกายบังคับใจมันคือการทํากายทําใจให้ลําบากมันคืออัตตะกิลมัฏฐานิโยคที่พระพุทธเจ้าห้ามเราะนั้นพวกเราอย่าไปหลงกลนะเราอยากปฏิบัติเริ่มต้นเราก็บังคับกายบังคับใจเลยเฉพาะใจอยเครียดเลยมีหมอทําวิจัยนะเขียนเขาเขียนสรุปเลยว่าเขาไม่ชอบพวกนักปฏิบัติเลยหมอโรคจิตอะ บอกมาเพิ่มงานให้เขาแต่ถ้าเรียนกับหลวงพ่อไม่มีบ้านะมีแต่บ้าบ้าไปรเรียนแล้วหายแต่ถ้าใครมีญาติพี่น้องบ้าพาไปหาหมออย่าพาไปหาหลวงพ่อนะแก้คนบ้าคนหนึ่งใช้เวลาเยอะเลยงั้นเราต้องค่อยๆสังเกตจิตนะส่วนมากพอลงมือปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่ทําคือบังคับจิตบังคับกายบังคับจิตง่ายๆเลยพระพุทธเจ้าสอนอย่างสอนอน า, นาปัฏสตินะท่านบอกว่าพิสูจทั้งหลาย ให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดำลองสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้หายใจเข้ายาวสอนง่ายๆพวกเราไม่ทําอย่างที่ท่านบอกหรอกนะอย่างการหายใจของเรารู้สึกไหมเราต้องกระทบตรงโน้นตรงนี้นึกออกไหมท่านบอกว่าหายใจยาวก็รู้หายใจสั้นก็รู้นะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เขางเราเวลาหายใจต้องรู้การกระทบนี่กระทบจะงอยปากกระทบจมูกกระทบเพดานกระทบคอกระทบ ลิ้นปีกกระทบท้องอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสอนไว้ท่านสอนบอกให้รู้สึกตัวนะหายใจแล้วก็รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวแล้วจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าทําเป็นถ้าทําไม่เป็นนะมันจะไปเพ่งไปบังคับนใจก็เครียดเครียดหรืออย่างเดินจงกรมพระพุทธเจ้าสอนง่ายนะเราชอบทําเกินที่ท่านสอนท่านสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่ ท่านเคยสอนไหมว่าเดินมีกี่จังหวะไม่มีนะคนรุ่นหลังนั่นแหละมาสร้างมันขึ้นมาใหม่มาสร้างขึ้นมาแล้วพอไปมีจังหวะมากมายนะทําอะไรแบบบังคับ บ, คบับงคับบังคับก็เครียดสิจิตที่เครียดคืออกุศลจิตนะจำไว้นะจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตชนิดที่เรียกว่าโทสะมูรจิตจิตประกอบด้วยโทสะจิตที่เครียดเครียด เมื่อเรต้องถ้าเราเข้าใจลักษณะของจิตแล้วเราก็จะต้องไม่หลงกลไปทําอกุศลขึ้นมาบางคนพอลงมือปฏิบัติก็เครียดไปเรื่อยเลยตลอดชีวิตเครียดนะบางคนคอเครียดนะหลวงพ่อเห็นบ่อยๆเลยมาเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆนัเรี่ยงมาเงี้ยแล้วมาฟ้องเราอีกนะว่าไปหาหมอมาหลายแห่งแล้วหมอเลี้ยงไข้หมอที่ไหนเลี้ยงไข้เขาตัวเองไปบังคับมันมากนะบังคับกายบังคับใจมากจนเครียดไปหมดเลยคอเครียดหลังเครียดเรี่ยงไปหมดนะ ทำผิดเองอ่ะพระเจ้าจไม่เคยสอนให้บังคับนะท่านสอนให้เรียนรู้จิตบทเรียนที่สองเนี่ยเรียนรู้ไปจิตที่เป็นอกุศลมันจะหนักจะแ น, น่นจะแข็งจะซึมจะทื่อจิตที่เป็นกุศลมันปลง่ลงล่งเบานี่จิตชนิดไหนใช้ทําสมถะจิตชนิดไหนใช้ทํำมิปัสนาตรงนี้ก็ต้องเรียนจิตที่ใช้ทําสมถะเนี่ยคือจิตซึ่งมันไปจดจอ่ออยู่ในอารมณ์อันเดียวมันเป็นการเพ่งอารมณ์จิตที่เพ่งตัวอารมณ์ เป็นจิตที่ใช้ทาสมถะเพาฉะการเพ่งอารมณ์นะเรียกว่าอารามณูปนิชานคือการทาสมถะยกตัวอย่างเลยที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อเที่ยวไปดูมาเยอะแล้วมีแต่คนทาสมถะอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกพนะรจะเจ้าเจ้าบอกให้รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้รู้อะไรรู้ว่าตัวนี้มันหายใจไม่ใช่เราหายใจรู้ว่าตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกว่ารู้การหายใจ นี้พอเราจะไปรู้ลมหายใจใช่ไหมเราต้องเอาจิตไปเพ่งไว้ที่ลมเนี่ยสมมุติจะทําให้ดูให้ดูจิตได้ก็ดูนะนี่นี่เพ่งแบบเบาๆนะถ้าเพ่งแรงๆก็จิตเครียดกว่านี้อีกคือเอาจิตเนี้ยไปจับไว้ที่ตัวอารมณ์อันนั้นคือการทําสมถะนะหรือบอางคนดูท้องฟังยุบคือท้องฟังยุบถ้าจิตไหลก็ไปเกาะอยู่ที่ท้องเพ่งอยู่ที่ท้องไม่หลงไปที่อื่นเลยทนะั้งอยู่ที่ท้องอย่างเดียวเลยสมถะ เพราะนอเพ่งท้องมากๆนะหรือเดินจงกรมแล้วเพ่งเท้าไปเรื่อยๆจิตจดจ่ออยู่ที่เท้าไม่หนีไปไหนเลยอันนั้นสมถะเพราะนั้นพอทําสมถะไปช่วงเนึ่มันจะเกิดอาการของปีติขึ้นมาเช่นเดินจงกรมไปแล้วรู้สึกตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนักมีสารพัดตัวตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ความจริงที่เกินความจริงความจริงก็คือไอตัวนี้ไม่ใช่เราตัวนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุ ถ้าเห็นความจริงเห็นความเป็นไตรลักษณ์นะถึงจะเป็นวิปัสนาแต่ถ้าไปเห็นตัวอารมณ์แล้วก็ไปเพ่งใส่ตัวอารมณ์อันนั้นสมถะทั้งสิ้นเลยฉะั้นคนที่บอกว่าทําวนะิปัสนาส่วนใหญ่ติดสมถะน่าไม่น่าแปลกใจนะพอติดสมถะไปเนี่ยก็จะเกิดอาการของปิติต่างๆบุบบ้าบๆาบางคนเพ่งมากนะอย่างสมูงก็หลวงพ่อจะหยิบแก้วน้ําหลวงพ่อก็เพ่งใส่มือให้จิตไม่เคลื่อนจากมือเลยมันคือการเพ่งรูปการเพ่งรูปเนี่ยเมื่อทําถึงฉีดสุดจะได้ฌานที่สี พอถึงชาตที่4แล้วเนี่ยถ้าใจเนี่ยไม่สนใจนา ม, มาทําเลยนะจิตจะดับลงไปจะหมดความรู้สึกทางร่างกายเลยดับปุ๊บลงไปแล้วตัวก็นั่งแข็งๆอยู่เราคิดว่านั่นบรรลุมรรคผลนิพพานอันนั้นน่ะมันเป็นภูมิของภูมิของสัตว์ชนิดหนึ่งชื่ออาศัญญาสัตตาภูมิภูมิที่เหลือแต่รูปประคันไม่เหลือนามาขันไม่เหลือความรู้สึกเรียก ว, ว่าอาัญญสัตตาหรือพรหมลูกฟักคนไทยเรียกว่าพรหมลูกฟักไม่ใช่มรรคผลนิพพาน แล้เราต้องรู้จักนะว่าถ้าเมื่อไหรเราเอาจิตไปเพ่งอารมณ์นะเมื่อนั้นเป็นสมถะเมื่อไร่เรารู้ลักษณะคือความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามอันนั้นถึงจะเป็นวิปัสสนาพวกเราบางคนเรียนน้อยไปนิดหนึ่งเราคิดว่าถ้ารู้รูปรู้นามเราจะเป็นวิปัสสนาไม่เป็นนะถ้ารู้รูปนามยังไม่เป็นวิปัสสนาต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนาเพราะวิปัสสนานั้นทําไปเพื่อถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเรา วิปัสสนาไม่ได้ทําเพื่อสิ่งอื่นเพื่อให้จิตมีความสุขมีความสงบมีความดีไม่ได้ทําอย่างนั้นวิปัสสนาแท้ๆทําไปเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเพราะั้นเวลาจะดูลงมาที่กายนะถ้าทําวิปัสสนาเนี่ยจะเห็นเลยว่านี่มันเป็นรูปมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงดูจิตใจเราเห็นแต่ความไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่ถึงจะเรียกว่าเห็นความจริงไม่ใช่ไปดูให้จิตนิ่ง จิต จ, จริงๆเคลื่อนไหวเ ป, ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและจิตจะเป็นของบังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้ให้ดีห้ามชั่วต้องดีอย่างเดียวจงสุขอย่างเดียวเราสั่งไม่ได้เนี่ยการที่เรามีสติตามดูไปนะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าการทํำวิปัสสนาดูจนเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของเขาจิตที่จะดูจนเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวธรรมคือรูปธรรมนา ม, มาทําได้เป็นจิตซึ่งมีสัมมาสมาธิตัวนี้สําคัญมากนะ พวกเราหลายคนล้าเลยไม่รู้จักสัมมาสมาธิหรอกสมาธิที่ดีเรียกว่าสัมมาสมาธิแต่อันนี้เรียกโดยอนุโลมนะสัมมาสมาธิแท้ๆจะเกิดขึ้นในอริยมรรคเท่านั้นอย่างพวกเราเดินสติอยู่เบื้องต้นอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นสมาสมาธิที่แท้แต่เราก็เรียกอนุโลมไปก่อนนะเรียกให้เอาใจจะได้มีกําลังใจคล้ายๆเรียกให้กําลังใจเด็กไปก่อนสัมมาสมาธิแท้ๆจะเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรค ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ประชุมองค์มรรคที่เหลือทั้งหมดเข้าด้วยกันรวมพลังของมรรคเข้าเป็นหนึ่งะหน้าที่ของสมาธิคือรวมพลังของเจตสิกที่เกิดร่วมกันเข้ามาทํางานร่วมกันมาทําลายกิเลสทาลายสังโยชน์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่มีหรอกแต่ว่าเราต้องฝึกให้ได้สมาธิอีกชนิดนึงสมาธิมี2แบบเราบอกว่าเรามีสมาธิมีสมาธินะแต่คนส่วนน้อยนะที่จะมีสมาธิที่ดีหรือที่หลวงพ่ออนุลมเรียกว่าสมาสมาธิ ย่งเวลาเรารู้ลมหายใจแล้วจิตเราไปจ่ออยู่ที่ลมนะจิตเราไม่หนีไปจากลมเลยจิตไปแช่อยู่ที่ลมหรือเวลาเราดูท้องฟองยุบจิตเราไหลไปอยู่ที่ท้องไม่หนีไปที่อื่นเลยเวลาเราเดินจงกลมจิตเราอยู่ที่เท้าไม่หนีไปที่อื่นเลยอันนั้นคือการเพ่งตัวอารมณ์จิตเราจะเคลื่อนไปหลวงปู่ดูลใช้คําว่าจิตส่งออกนอกจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์นั่นเองเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเคลื่อนไปอยู่ที่จมูกเคลื่อนไปอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องนะ ดูอะไรก็เคลื่อนไปอยู่ตรงนั้นถ้าจิตเคลื่อนเข้าไปแล้วไปตั้งแช่อยู่ในตัวอารมณ์นะอันนั้นแหละเป็นสมาธิที่ใช้ทำสมถะแต่ถ้าจะทำวิปัสสนานะจะให้เกิดปัญญาได้จิตจะต้องตั้งมั่นตั้งมั่นกับตั้งแช่ไม่เหมือนกันตั้งแช่เนี่ยเวลาอย่างสมมติหลวงพ่อจะดูนาฬิกาเนี่ยจิตหลงพ่อจะไหลเข้าไปอยู่ในนาฬิกาไปดูอ้เวลานี้เวลานี้ขนาดที่ใจเราไหลเข้าไปอยู่ในนาฬิกาเราลืมกายลืมใจเรียบร้อยแล้ว เมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่อนั้นขาดสตินะขาดสติไปเรียบร้อยแนละ้วเพราะฉั้นอย่างเราจะหยิบแก้วน้ําำใจเราจ่อไปเนี่ยสมมติเราเพ่งมือนะเพ่งมือเพ่งมือถามว่าลืมกายลืมใจลืมลืมอะไรลืมความรู้สึกตัวนะเห็นแต่มือใช่ไหมเห็นแต่มือมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่แท้จริงนั่นจิตที่ตั้งแช่กับจิตที่ตั้งมั่นยังไม่เหมือนกันตัวนี้อะไรเป็นตัวที่แตกหักเลยแตกหักเลยว่าเราจะทํามิปรสนานได้หรือไม่ ถ้าจิตเข้าไปแช่อยู่กับอารมณ์ไปรู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมไปรู้ท้องจิตไปอยู่ที่ท้องรู้เท้าจิตไปอยู่ที่เท้ารู้อะไรจิตไหลไปอยู่ที่นั้นนั่นคือสมถกรรมฐานเพ่งตัวอารมณ์นะอารามณูปนิชานแต่ถ้าใจเราตั้งมั่นสมาธิแปลว่าอะไรสมาธิคือความตั้งมั่นนะไม่ใช่คือความตั้งแช่นั้นสมาธิต้องใจต้องตั้งมั่นถ้าใจตั้งมั่นมันจะเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ ไม่ใช่จิตหรอกไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกขนะ์ก็ไม่ใช่จิตนะไม่ใช่ตัวเราอะไรอะไรก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราอย่าแยกออกไปหมดเนี่ยจิตที่สามารถตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเห็นสภาวธรรมเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนั่นแหละถึงจะทำพิพิธนาได้จริงในพระอภิธรรมท่านถึงสอนว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเราไม่รู้จักสมาธิ เราไม่รู้จักจิตที่มีสมาธิเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเรียนเรื่องจิตศิกขาวิธีที่จะทําให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาได้นะมี2วิธีวิธีหนึ่งเป็นวิธีของสมถญานิกรรนนะทำฌานทำฌานเช่รู้ลมหายใจไปนะเห็นร่างกายมันหายใจไปนะใจเป็นแค่คนดูนะอย่าใช้ใจไหลไปอยู่ในลมถ้าไหลไปอยู่ในลมสักพักหนึ่งก็จะเคลิมขาสตินะเห็นร่างกายมันหายใจไว้ใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะใจก็ตั้งมั่น ทีแร ก, ก็รู้หลมนะต่อไปลมหายใจมันจะแปลสภาพเป็นแสงสว่างเห็นเป็นแสงดูแสงสว่างต่อไปมันจะรวมขึ้นเป็นดวงสว่างแล้วก็ดูจิตใจเราจ่ออยู่ในดวงสว่างแทนตัวลมหายใจจิตใจถัดจากนั้นจะเริ่มเข้าแล้วเข้าชาน้นชา้นที่หนึ่งจิตยังไม่ตั้งมั่นที่แท้จริงนะถึงชา้นที่สองเนี่ยจะเกิดสภาวะธรรมชนิดหนึ่งชื่อเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะไม่มีใครพูดถึงเลยอาภัพที่สุดเลย เราพูดแต่ว่าฌานที่2นะั้นละวิตกวิจารใจเหลือปีติสุเอกคตานี่เราคิดอย่างนี้เราพูดเอาง่ายๆในความเป็นจริงแล้วก็คือเราต้องมีเอโกโอที่ภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งจิตซึ่งมันพ้นจากความคิดนั่นเองนะมันละวิตตกมันละวิจารไปแล้วใจมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเพราเราถอยออกจากสมาธิมานใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจะไปเห็นสภาวะธรรมเกิดดับ เห็นทันทีเลยรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราเนาะตัวที่ยืนเดินนั่งนอนนี่ไม่ใช่ตัวเราอย่าเห็นทันทีเลยไม่ได้ยากอะไรเลยนี่ถ้าคนไหนทําฌานไม่ได้จะทํำยังไงดีมีอีกวิธีหนึ่งวิธีของคนที่งทําฌานไม่ได้ง่ายๆนะให้คอยรู้ทันใจที่ไหลไปไหลามาใจของเราไหลตลอดเวลานะมีอะไรให้ดูบ้างอที่เนี้ยอา้าวสมมุติว่าเอาช่วยกันดูลําโพงไปนะดูนะดูลําโพงไม่ใช่มาดูหลงพ่ออันนี่มันไม่ดูส่งจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อ อ๋อดูลำโพงไว้เนี่ยเห็นไหมขณะที่ใจเราไปดูลําโพงเนี่ยมันเหมือนใจเราไหลไปอยู่ที่ลำโพงรู้สึกไหมหันมาดูลุงพ่อใหม่ลืมลําโพงซะตั้งใจดูหน้าหลวงพ่อชีหล่อไม่หลอ่อดูสิตั้งใจดูรู้สึกไหมจิตไหลไม่อยู่ที่หลวงพ่อรู้สึกไหมใจเราเคลื่อนไปแต่เราไม่เคยไม่เคยเห็นอย่างนี้นะเราจะตั้งมั่นไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าจิตเราเคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจะตั้งชั่วขณะ มีคณิกะสมาธิขึ้นมาอย่างของคุณนะใจมันหนีไปคิดน ะ, ะถ้าใจเราเราเห็นใจที่เคลื่อนใจนะใจจะตั้งมั่นนี่เป็นวิธีง่ายๆนะเปวิธีง่ายๆที่จะฝึกจนรทั่งใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ให้คอยรู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นนี่พอเรามีใจที่ตั้งมั่นแล้วคราวนี้เราเราพร้อมจะถึงบทเรียนสุดท้ายที่ชื่อว่าปัญญาสิกขาละปัญญาสิกขาเนี่ยทได้หลายแบบ ก่อนที่จะทำปัญญาศิษยาบางคนต้องทำสมาธินำปัญญาบางคนเจริญปัญญาไปก่อนสมาธิเกิดทีหลังบางคนทำสมาธิและปัญญาควบกันทำได้หลายแบบนะทางใครทางมันแต่ละคนไม่เหมือนกันคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็อไม่ได้สอนเหมือนกันทุกคนนะบางคนก็สอนให้ทำสมาธิก่อนนะพอจิตถอยออกจากสมาธิแล้วมารู้กายนะเห็นร่างกายหรือเห็นเวทนา การรู้กายการรู้เวทนาเนี่ยในพระพิธรรมสอนไหมนะว่าเหมาะกับสมถะญาณิกแต่จากการสํารวจเท่าที่สํารวจดูคนที่ภาวนาด้วยการรู้กายเนี่ยเกือบจะไม่ทําสมถะเลยนึกจะยกเท้าย่างเท้าก็ยกไปเลยนึกจะรู้ลมหายใจก็รู้ดุยดุยไปรู้อิริยาบถสีก็รู้ดุยๆเข้าไปเลยมันจะรู้ด้วยจิตที่ไม่ตั้งมั่นพอเรียนผิดบทเรียนนะ เพราะนกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถาียานิกเหมาะกับคนเล่นฌานถ้าไม่เล่นฌานนะพอไปรู้กายแล้วจิตจะถลำลงไปอยู่ในกายเลยใช้ไม่ตั้งมั่นจริงหรอกรู้รู้ไม่ได้จริงเส้นทางอีกเส้นที่สองสำหรับคนที่จะเจริญปัญญานะีก็คือใช้ปัญญานําพวกเราส่วนใหญ่ที่เป็นคนเมืองเนี่ยที่คือหัวข้อในการพูดแบบ น, นี้นะการเจริญสติในชีวิตประจําวันเราต้องใช้ปัญญาของเราเนี่ยใช้สติใช้ปัญญาเนี่ย คอยรู้กายขอยรู้ใจในปัจจุบันนี้แหละดูไปเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวขอยรู้สึกรู้สึกไปโดยเฉพาะรู้สึกทางใจเนื้อรู้สึกให้มากไว้พวกเราที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวันนะทำงานที่ต้องคิดมากๆเนี่ยใจเราฟุ้งซ่านใจเราไม่มีแรงเท่าไหร่หรอกใจเราไม่ตั้งมั่นพอเพราะฉะนั้นยากเหลือเกินที่เราจะมองทะลุร่างกายเข้าไปเห็นรูปนิพพสนาไม่ได้เห็นร่างกายนะพวกเราเห็นอะไรเห็นมือไหม มือไม่ใช่รูปนะมือเป็นสมมุิบัญญัติตัวเนี้เข้าใจยากแล้วลองจับมือตัวเองอย่าจับคนอื่นนะลองจับตัวเองดู <IL ES> รู้สึกไหมมันเป็นท่อนๆอะไรรู้สึกไหมมันแข็งๆตรงนี้แข็งตรงนี้อ่อนอะไรเงี้ยรู้สึกไหมแต่และที่ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมมันบอกไหมว่านี่คือตัวเรามันพูดไหมว่านี่นี่คือมือเรามันไม่พูดนะสัมผัสลงไปสิเนี่ยนี่สัมผัสอะไรนี่สัมผัสธาตุดินทำไมนะธาตุดินธาตุดินไม่ใช่มือแล้วเห็นไหม เป็นอะไรเป็นท่านๆ น, น, นั่นึองสังเกตไมมมือเนี่ยที่เราจับเนี่ยบางที่ก็อุ่นใช่ไหมบางที่ก็เย็นรู้สึกไหมมีทั้งอุ่นมีทั้งเย็นนั่นคืออะไรนั่นคือธาตุไฟไม่รู้ธาตุไม่ใช่รู้ง่ายๆนะไม่ใช่กิ๊กกอกๆแล้วบอกว่ารู้ธาตุนะรู้มือรู้เท้ารู้ท้องไม่เรียกว่ารูรปรบ ก, กว่าจะทารู้สมมุติบัญญัติของมือของเท้าของท้องเข้าไปได้ของลมหายใจเข้าไปได้ไปเห็นรูปแท้ๆไม่ใช่ง่าย ถ้าจิตไม่ทรงฌานจริงๆนั้นยากที่จะเห็นแต่ถ้าดูนำมาทำนั่นจะง่ายนะพวกเราแต่ละวันแต่ละวันนั้นเราเหนื่อยอยู่แล้วเราฝึกตั้งแต่ตื่นนอนตอนที่หลวงพ่อหัดปฏิบัติหลวงพ่อฝึกตั้งแต่ตื่นเลยเล่านิดหนึ่งก็ได้มีเวลามีเวลานิดหน่อยหลวงพ่อตั้งแต่เจ็ดขวบเนเมื่อปีศูนยอพ่อพาไปพัฒน์อโศการามไปกราบท่านพ่อรีท่านพ่อรีสอนอ น, อนาปนสติ ท่านสอนง่ายๆนะเอาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเราก็กลับมาทํานะเราก็หายใจเข้าหายใจออกทุกวันเลยจิตสงบอยู่กับลมหายใจมันเล่นสมถะมานานนะทำแต่สมถะแล้วขึ้นมิปัสนาไม่เป็นหรอกเพราะว่าไปเรียนกับท่านพ่อรีได้ไม่กี่ครั้งนะั้นท่านมรณภาพไปไม่มีครูบาอาจารย์จะสอนต่อเราก็ทํามิปัสนาไม่เป็นเราก็ทําแต่สมถะทําเรื่อยๆมาจนปี25งห้ากนะุมภาสองห้าได้ไปกราบหลวงปูดง่ดุล หลวงป่ดูลยท่านสอนหลวงพ่อบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองให้อ่านจิตตนเองคําว่าอ่านมีนัยยะนะอ่านไม่ใช่ให้ให้เป็นนักอ่านไม่ใช่ให้เป็นนักประพันธ์ใช่ไหมเป็นนักอ่านไม่ใช่นักวิจารนใช่ไหมเป็นนักอ่านไม่ใช่ผู้กํากับเวทีใช่ไหมอ่านหมายถึงว่าสภาวะมันเป็นยังไงรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าอ่านตัวเองใจเรามีความโกรธขึ้นมารู้ว่ามันโกรธใจมันโลภขึ้นมารู้ว่ามันโลภ ใจมันลอยไปรู้ว่าใจลอยใครรู้จักใจลอยบ้างรู้สึกไหมเด็กสมัยใหม่บางคนไม่รู้จักคาว่าใจลอยนะั้นมันรู้จักคําว่าเหม่อเหม่ออะไรเงี้ยเอาใครรู้จักเมมหม่อเหม่อไหมเนี่ยเด็กเริ่มเด็กเด็กเริ่มไปยักหน้านะเพราะใจลอยอย่างนี้ยิ่งลอยหนักกว่าเก่าอีกนะะ <c oughs> ลงไปคิดเลยเนี่ยหัดดูสภาวะไปนะดูไปด้วยการเจริญปัญญาเนี่ยถ้ารู้รูปนะให้รู้ลงปัจจุบันถ้ารู้จิตนะให้ตามดูไปไนดะ้พวกเราดูจิตไปนะ ส่วนใหญ่จะต้องดูจิตแต่บางคนหมาะกับการดูกายหลวงพ่อก็จะพาให้ดูกายสอนให้ดูกายแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีกรรมฐานสําเร็จรูปนะการทํากรรมฐานไม่ใช่แมชโปรดักไม่ใช่ปั๊มปัมปมออกมาได้บางคนมาถามหลวงพ่อเมื่อไหร่หลวงพ่อจะจัดคอร์สหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่มีปัญญาเพราะาคนแต่ละคนจริตนิสัยไม่เหมือนกันบางคนต้องรู้กายนะบางคนต้องรู้เวทนาบางคนต้องรู้จิต ถ้าเราทํากรรมฐานไม่เหมาะสมกับจริตนิสัยของเรานะมันเหมือนเราไปซื้อเสื้อตัวหนึ่งมาเห็นมันสวยกอยากได้ไปซื้อมาไม่ได้ดูเลยว่าเราใส่ได้ไหมเพราั้นทำกรรมฐานนะั้นต้องเหมาะกับตัวเองนะอย่างไปซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งมันใหญ่ไปเราต้องกินข้าวเพิ่มเหรอ่าเราจะได้ใหญ่เท่าเสื้อหรือมันเล็กไปเราต้องอดข้าวไหมตัวเราจะได้เล็กเท่าเสื้อใครทำอย่างไัไม่ฉลาดหรอกทํากรรมฐานเหมือนกันนะอย่าทาตามเพื่อน อย่าทำเพราะว่าอาจารย์สอนอย่างนี้ต้องดูจริตนิสัยของเราเองก่อนที่จะเรินปัญญาไม่มีหลักสูตรสาเร็จรูปในการทำกรรมฐานนะสมถะก็ยังต้องเลือกอารมณ์คนจริตนิสัยอย่างนี้ทำสมถะด้วยวิธีนี้ถึงจะได้ผลคนจริตนิสัยอย่างนี้ทำวิปัสสนาอย่างนี้ถึงจะได้ผลพวกเราเคยได้ยินคำว่าจริตนะจริตมีอะไรบ้างเห็นว่าเคยได้ยินได้ยินว่างไง ราคะจริตโทสะจริตโมหจริตใช่ไ้มพุทธิจริตนัลัยวิตกจริตศรัทธาจริตหกอันนี่คือจริตที่ใช้ทําสมถะนะเราเคยได้ยินคําว่าตัณหาจริตกทิฐิจริตไหมไม่ค่อยมีคนได้ยินเพราะตัณหาจริตกทิธิจริตนี่เอาไว้แยกอารมณ์ในการทํำมิปัสสนากรรมฐานเวลาเราเรียนนะเราต้องเรียนให้ดีนะไม่งั้นมัวเส่วนะ มาถามหลวงพ่อว่าผมเป็นโทรสาจริตผมควรจะรู้กายหรือรู้เวทนาหรือรู้จิตดีอันนั้นถามแบบไม่ได้ศึกษาเลยอารมณ์จริตนิสัยในการทาสมัทฐานมี6กอันจริตนิสัยในการทำนิพพานามีสองนะอั น, น, น, น, อนคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตก็คือพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบอะไรเงี้ยพวกนี้เหมาะกับการรู้กายนะกายหรือเวทนาอันใดอันหนึ่ง เพราะกายหรือเบทนาเนี่ยจะสอนให้เห็นเลยไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายกายนี่เต็มไปด้วยความทุกข์บีบคันตลอดเวลาไม่ใช่ของดีของวิเศษนีงั้นคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนั่นต้องมารู้กายรู้กายให้มากหน่อยแต่ถามว่ารู้กายอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่สติจะระลึกรู้กายอย่างเดียวถ้าสติที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วจะเลือกไม่ได้เลยว่าจะรู้กายหรือรู้จิตไม่มีหลอกสายกายสายจิตพอสติที่แท้จริงเกิดแล้วไม่มีสายแล้วนะ นะแล้วต่สติจ ะ, ะระลึกรู้อะไรแต่เบื้องต้นน่ยก็คนไหนเป็นตันหาจริตรักสวยรักงามรักสุขรักสบายรักความสงบอะไรเงี้ยนะคอยดูกายบ่อยๆหนะ่อยแต่จะดูกายได้ดีต้องมีสมาธิหนุนหลังนะใจต้องตั้งมั่นสังเกตไหมวิธีฝึกง่ายๆสังเกตไหมร่างกายเป็นของที่ถูกดูอยู่เอาทุกคนลองดูร่างกายตัวเองอย่าดูกายคนอื่นนะรู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นของถูกดูดูไปทีละส่วนก็ได้เอาดูหัวแม่มือตัวเอง รู้สึกไหมหว่าแม่มือหรือมือเนี่ยมันเป็นของที่ถูกดูรู้สึกไหมค่อยๆฝึกกันนะามาฝึกกัน ต, ตอนนี้คงไม่สําเร็จหรอกดูไปเรื่อยร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราตัวอย่างนี้ได้่อยหรืออย่างบางคนชอบดูท้องพองยุบเห็นไหมตัวที่พองตัวที่ยุบไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตอยู่ต่างหากนะร่างกายที่พองที่ยุบอยู่ต่างหากร่างกายที่ยกที่ย่างที่เหยียบอยู่ต่างหากจิตอยู่ต่างหาก ค่อยๆดูไปนะจิตนแยกแยกกายออกไปส่วนหนึ่งแยกเวทนาไปส่วนแยกสังขารไปส่วนแยกจิตไปส่วนพอแยกๆ แ, แล้วแต่ละขันแต่ละขันจะไม่ใช่ตัวเราความเป็นตัวเรามันเกิดจากขันมันมาประชุมกันแล้วสัญญาความจำได้หมายรู้เข้าไปหมายว่าเป็นตัวเรานี่สสำหรับคนจะดูกายดูยากนะแต่ว่าดูจิตดูง่ายๆนะใครรู้จกักโกรธในห้องนี้มีใครไม่โกรธบ้างนีไหมใครจะโกหกว่าไม่โกรธมีไหม <c oughs> ใครจะบอกว่าไม่โลภเลยรู้จักไม่โลภอยากอยากโนอนอยากนี่รู้จักหลงไหมหลงแล้ใจลอยไปรู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักสงบไมรู้สึกรู้จักคำว่าหดหู่ัหมหดหู่เป็นไงเซ็งเซ็งเป็นไงรู้จักไหมอิจฉาเป็นไงรู้จักไหมเห็นไม่รู้จักพยักหน้ากันยึกยึกยึกยเวลาที่เราหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันนะ ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราขณะนี้รู้ไปเลยเช่นฟังหลวงพ่อพูดแล้วงงพูดอะไรพระองค์นี้พูดอะไรรู้ว่ากำลังงงใช้ได้ละสอบผ่านละงงรู้ว่างงสอบผ่านแล้วนะไม่ต้องรู้เรื่องหรอกถ้างงเรารู้ว่าจิตกำลังงงอยู่พอรู้ไปนะความงงมั น, เนยเกิดแล้วก็ดับให้ดูนะหายไปได้ใจเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะฝึกของเราทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะ ต่นนอนขึ้นมาความรู้สึกเราเป็นไงเราคอยรู้ไปหลวงพ่อฝึกมาอย่างนั้นแหะพอหลวงปู่ดุลบอกให้ดูจิตตัวเองนะกลับมาบ้านนะั้นดูมาตลอดเลยความจริงดูตั้งแต่อยู่ที่ท่านเลยนะไม่ใช่ว่าขอเรียนไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอากลับไปทําไม่มีนะพูดอย่างนั้นโง่เกินไปแล้วเกิดลดความตายก่อนถึงบ้านไม่ได้ปฏิบัติสิเพฉะนั้นการปฏิบัติอย่าผลดวันประกันพรุ่งนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวผมมาเรียนนะเดี๋ยวผมจะเอากลับไปทําที่บ้านนั่นนะพวกเอลทีเทีว่าหลอยถ้วย ใช้ไม่ได้นะพว่า L ลทีภาวนาไปแล้วก็ได้ปริญญานะไอบีออีบีอไอบะอีบนะใช้ไม่ได้หรอกนะพยายามรู้สึกตั้งแต่ปัจจุบั น, นการทำกรรมฐานจริงๆไม่ยากเลยมีปาษชนากรรมฐานนี้ง่ายกว่าที่คิดสมาะกรรมฐานตัางหากยากจิตที่ไม่สงบจะทำให้สงบง่ายไหมจิตไม่ดีจะทำให้ดีง่ายไหม จิตไม่มีความสุขจะทําให้เกิดความสุขง่ายป่ะไม่ไง่ายเห็นไหมสมถะนี่มันทําเอาดีเอาสุขเอาสงบนะมิปัสนาจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีง่ายกว่ากันเยอะเลยไม่ต้องทําอะไรแตนะ่จิตดีรู้ว่าดีจิตเป็นสุขรู้ว่าสุขจิตเป็นทุกรู้ว่าทุกข์จิตเฉยเยรู้ว่าเฉยเจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นเมื่อกี้ที่หลวงพ่อถามถามดูทุกคนรู้จักสภาวะอยู่แล้วใช่ไหมโลคเป็นอย่างนี้โกรธเป็นอย่างนี้หลงเป็นอย่างนี้สงสัยฟุ้งซ่านหดหู่ดีใจเสียใจนะ กลุ้มใจอิดชา้ากังวลกลัวเนี่ยที่พูดมามีคําไหนไม่รู้ก็รู้ทุกตัวนะเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆเลยขนาดนี้ใจเราเป็นยังไงใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขใจเรามีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์รู้เฉยๆนะไม่ต้องไปแทรกแซงเราเปลี่ยนจากนักแทรกแซงมาเป็นนักรู้ดูหัดรู้สึกไปสิถ้าใจเรามีความสุขขึ้นมาก็รู้ไปเราจะเห็นเลยความสุขเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไป ถ้าใจเรามีความทุกข์ก็รู้ไปสิความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็สลายไปทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามานะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยเฝ้าดูลงไปอย่างนี้นะตามรู้ตามดูดูไปอย่างสบายสบายอย่าให้ใจถลําลงไปดูใจต้องตั้งมั่นนะบอกแล้วบทเรียนที่สองคือใจตั้งมั่นใจต้องไม่ไหลเข้าไปเมื่อกี้เราทดลองใจไหลเข้าไปในลําโพงมาแล้วใช่ไหมใจไหลถ้าใจไหลไปใจไม่ตั้งมั่นงั้นถ้าถ้าสภาวะใดๆเกิดขึ้นเราสักว่ารู้สักว่าเห็นใจเราไม่ถลําลงไปนั่นแหละเราจะเกิดปัญญาเห็นความจริง นั้นป enfin ัญญาเกิดจากอะไรอันแรกเกิดจากมีสติไปรู้ตัวสภาวะอันที่สองมีใจที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นถ้ามีสติกับมีสมาสมาธินะปัญญาจะเกิดขึ้นมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไว้เราจะเห็นความจริงของกายของใจตัวความจริงนั่นแหละคือตัวปัญญาการเห็นความจริงเรียกว่ามีปัญญาเบื้องต้นเราจะเห็นก่อนนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรากันแต่ยังยึดอยู่ ถ้าฝึกต่อไปนานๆนะก็จะเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นแต่ตัวทุกข์ล้วนๆเลยก็จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเมื่อไหร่ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ก็คือเอาตัวทุกข์ไปโยนทิ้งละเพราะตอนเริ่มต้นหลวงพ่อบอกแล้วทุกข์ก็คือกายกับใจนีกออกไหมคําว่าทุกข์นิยามของความทุกข์นิยามของคําว่าทุกข์ในศาสนาพุทธนะไม่ใช่ความทุกข์อย่างที่พวกเรารู้จักหรอกความทุกข์อย่างที่พวกเรารู้จักนั้นเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งชื่อว่าทุกขเวทนา ส่วนทุกข์ที่เราจะต้องเรียนให้แจ้งเนระีว่าทุกขสัตว์สิ่งที่เรียกว่าทุกขสัตว์คือกายกับใจคือขันธ์ห้า น, นั่นเองรูปรนามกายใจเรียนยังไงวิธีเรียนมีสติรู้กายรู้ใจไปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกด้วยใจที่ตั้งมัน่นถ้าใจตั้งมัน่นนะจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นเห็นทันทีคนที่เรียนกับหลวงพ่อตอนนี้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามีเป็นพันๆเลย มีได้เป็นเยอะแยะเลยบางคนก็เริ่มเห็นแล้วว่าจิตก็ไม่ใช่เราความเป็นตัวเรานั้นมันปรุงขึ้นมาเป็นคราวๆตัวตนที่แท้จริงไม่มีคนที่ภาวนากับหลวงพ่อมาถึงตรงนี้ก็นับไม่ถ้วนแล้เยอะแยะเลยพวกนี้ก็คือแคนดิเดตที่จะได้ธรรมะในอนาคตนั่นแหละเขาเห็นความจริงแล้วกายมันไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราแต่มันยังยอมรับไม่ได้พอเห็นว่าตัวเราไม่มีนะใจหายเลยบางคนบางคนกลัวบางคนเบื่อบางคนรู้สึกเซ็งรู้สึกเวิ้งว้าง รู้สึกไม่มีที่พึ่งที่อาศัยนะถ้าดูต่อไปอีกนะก็จะเห็นในความเบื่อความกลัวความรู้สึกว่างๆเลยเกิดแล้วก็ดับนะเหมือนแต่สภาวะอื่นๆเหมือนโลภโกรธลงอื่นๆนั่นเองในสุดใจจะรู้สภาวะทุกอย่างนะด้วยจิตที่เป็นกลางทุก ส, สิ่งที่เกิดขึ้นมาในกายเรารู้นะเราเป็นกลางทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเรารู้นะแต่เป็นกลางรู้อย่างเป็นกลางรู้แล้วไม่ได้ยินดีรู้แล้วไม่ยินร้ายนั้นเบื้องต้นนะเบื้องต้นก็หัดรู้ก่อน อะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้ก่อนแต่รู้แล้วมันจะยินดียินร้ายให้รู้ทันลงไปอีกจิตยินดีก็รู้ทันจิตยินร้ายก็รู้ทันเนีพอรู้ทันลงไปอย่างนี้ต่อไปความยินดีนร้ายจะสลายตัวไปดับเราก็จะรู้ทุกสิ่งได้จิตที่เป็นกลางต้องรู้ทุกสิ่งได้จิตที่เป็นกลางรู้แล้วไม่ทําอะไรต่ออย่างพวกเราพอหัดภาวนานะพอเรายัางเห็นจิตไม่ดีเห็นจิตมีความทุกข์ขึ้นมาเราอยากให้หายรู้สึกไหมอยากให้หายเนี่ยจิตไม่เป็นกลาง ให้รู้ถันว่าเนี่ยเกลียดความทุกข์อยู่โทสะแทรกและหรือว่าเรามีความสุขขึ้นมาเราอยากให้อยู่นานๆรู้สึกไหมเนี่ยโลภแทรกละจิตมันยินดีบ้างยินร้ายบ้างมีคนชมเราเราก็ชอบใช่ไหมใจก็พองเราก็รู้สึกพอใจยินดีคนเข้ามาว่าเราเราก็ไม่พอใจนี่ยินรายเพรา ะ, ะนั้นค่อยดูความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะทีแรกการรู้ความรู้สึกก็เรียกว่าหัดรู้สภาวะต่อไปก็สังเกตไปพอรู้แล้วมันไม่รู้เฉยๆหรอก มันรู้แล้วมักจะยินดีบ้างยินร้ายบ้างให้รู้ทันความยินดียินร้ายของจิตเข้าไปอีกชั้นหนึ่งถ้ารู้ทันความยินดียินร้ายของจิตแล้วจิตจะเป็นกลางเจิตจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางพอเป็นกลางเกิดขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็คือรู้แล้วจะจบลงที่รู้รูแล้วไม่ปรุงแต่งต่อพวกเราเวลาหัดรู้สภาวะนั้ะพอเห็นสภาวะแล้วเราจะปรุงต่อเช่นพอเราเห็นกุศลเกิดขึ้นเราอยากให้เกิดบ่อยๆแทรกแสงละอยากจะรักษาให้มันอยู่นานๆ แทนที่จะเห็นว่ากุศ ล, ล, ลเกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วดับกลายเป็นว่าอยากให้อยู่นานๆเพราะอกุศลเกิดเช่นมันโมโหขึ้นมาทํายังไงจะหายโมโหนะคิดจะทำนะบางคนก็โกรธน้อโกรธนอบางคนก็พุทโธพุทโธเพื่อจะได้ให้มันหายถ้ามุ่งเอาให้มันหายนะสมรรถนะถ้าจะทำให้ภัสนาจริงๆก็จะเห็นในสภาวะของความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราใจเป็นแค่คนดูเท่านั้นใจก็ไม่ใช่เรานะความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มี ไม่มีตัวเราในกายในใจนี้นะดูไปเรื่องนี้เรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันจะแจ้งขึ้นมาว่าจริงๆแล้วตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์ล่ะความทุกข์มีอยู่นะกายมันทุกข์ใจมันทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์อีกต่อไปละเราค่อยฝึกเอานะฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละสําสคัญที่สุดหลวงพ่อก็ฝึกอย่างนั้นตอนเด็กๆทําสมถะอยู่22่สิบปีนะพอมาเจอหลวงปู่ดูลนท่านบอกให้ดูจิตหลวงพ่อก็ดูเลยนะดูมาตลอดเลย ไม่เคยเลิกตอนนั้นรับราชการอยู่อยู่ที่ในทำเนียบรัฐบาลงานเครียดมากเลยสภาความมั่นคงนะั้นชื่อก็น่ากลัวแนละ้วมงคนได้ยินชื่อก็กลัวแนละ้วว่าเราจะไปคุยด้วยเนะี่ยรู้ว่าจะมาจากสภาความมั่นคงเระแหวงแนะล้วกลัวงานเครียดมากเลยนะเราก็หัดภาวนาของเราตื่นนอนขึ้นมานี่ข้าราชการตัวอย่างนะหลวงพ่อเป็นได้อะไรดีเด่นเยอะแยะเลยสีเซอร์ก็เลื่อน เ, เร็วนะ แต่ว่าใจจริงเราเป็นไงตื่นนอนขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันจันนะใจแห้งแล้งเลยพอตื่นนอนมานึกได้วันนี้วันอังคารนะเบื่อที่สุดเลยพอตื่นนอนมานึกได้ว่าวันนี้วันพุธนะขี้เกียจขี้เกียจพอตื่นนอนนึกได้ว่าวันนี้พฤหัสนะชักจะแช่มชื่นเนะพอตื่นนอนมานึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะสดชื่นเลยทั้งทั้งที่วันนี้ก็ต้องไปทำงานเหมือนวันอื่นนั่นแหละความรู้สึกเราไม่เหมือนกัน นี่ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะดูความรู้สึกของตัวเองนี่เรียกว่าเจริญสติในชีวิตประจํำวันไม่ใช่ต้องไปเจริญตอนเข้าวัดเข้าคอสนะไม่ได้กินหรอกเพราะชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่นอก น, อกนี่อยู่ในชีวิตประจําวันนี่ะจะทําได้เฉพาะตอนไปเข้าวัดเข้าคอสไม่พอหรอกเวลาที่เหลือกิเลสเราไปกินหมดแถมตอนไปเข้าวัดเข้าคอสกิเลสก็เอาไปกินซะ อ, อีกนะเพราะดูสภาว่าไม่ออกไปหลงทําอกุศลขึ้นมาไม่ได้พูดเล่นนะเมื่อคนภาวนาจนตกนรกนะภาวนาแล้วเครียดอะ จิตท e ี่เครียดเป็นโทสะนะจิตที่คุ้นอยู่กับโทสะตายแล้วจะไปไหนอ่ะเป็นนรกสิฉนั้นต้องระมัดระวังนะภาวนาไม่ใช่ยิ่งภาวนายิ่งนักเผยแพร่นี่หลวงพ่อจะจําจี้จำชัยมากเลยคนที่ชอบเผยแพร่ชอบสนับสนุนการเผยแพร่แพร่แพร่ไปแล้วแพร่เอายาพิษออกไปเพราะตัวเองไม่เรียนให้ดีซะก่อนไปหลงแพร่อะไรออกไปแพร่แล้วทําให้คนเครียดมากขึ้นหรือแพร่แล้วห่างไกลศาสนาพุทธออกไปทุกทีทุกที กลายเป็นเป็นพรมไปซะเยอะเลยนะเพ่งเพ่งเพง่จิตบูบลงไปมันไม่ใช่ศาสนาพุทธแท้ๆเลยนะฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนะตื่นขึ้นมาความรู้สึกเป็นไงก็รู้ไปจะกินข้าวจะกินข้าวพอตาเรามองเห็นเห็นอาหารที่เราชอบใจจะรู้สึกยังไงสดชื่นไหมอุ๊ยนี่ของปโปรดเห็นของปโปรดแล้วใจมันดีใจรู้ว่าดีใจวันนี้เจอแต่ของไม่ปโปรดเลยชักหงุดนะหงิดนะหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดเนี่ยคอยรู้ของเราไปอย่างนี้ นี่แหละวิธีจเจริญสติในชีวิตประจําวันะต่อไปสวยเราจะออกจากบ้านนะขับรถไปรถติดเต็มไปหมดเลยใจเราหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดนะคนกรุงเทพเนี่ยมันตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วนะจะออกจากบ้านรถติดอะไรเนะี่ยหาความสุขไม่ได้เลยนะเปิดโทรทัศน์ออกมาก็มีข่าวทะเลาะกันใช่ไหมดูข่าวเศรษฐกิจอนะ่ะเศรษ ฐ, ฐกิจก็ไม่ดีอีกล้มีแต่อากุศลทั้งวันเลยเนี่ยพอเราไปกระทบนะ กระทบข่าวสารกระทบความคิดกระทบอะไรเข้ามาใจเราเป็นไงเรารู้ทันไปเลยนี่แหละคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันเราคุยกับค น, นเราเห็นเพื่อนเรามาเราดีใจเห็นไหมคุยไปคุยมามันขัดคอเราเราโมโหโมโหรั่วโมโหดีใจรั่วดีใจนี่ละหัดไปฝึกอย่างนี้มากเข้ามากเข้าแ ล, แล้วจะได้อะไรแล้วจะได้อะไรจะได้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา อย่างเราดูไปเรื mind, ่อยใช่ไหมความสุขมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายความทุกข์มันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความเฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนึกออกไหมโรคกรดหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายปีติสุขเกิดขึ้นแล้วก็หายไปมีใครที่มีความสุขตลอดเวลามีไหมไม่มีถ้ามีก็คือพระอรหันต์นะพระอรหันต์มีความสุขเพราะจิตของพระอรหันต์มีสองชนิดเป็นเป็นมหากริยาจิตที่ประกอบด้วยโสมนัตมีความสุข กรรมหากิริยาจิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นความสุขที่ประเนี่ยนยิ่งขึ้นไปอีกแต่จะไม่มีที่มีความทุกข์จิตของเราจะแ่งไปแฝงมานะเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์อยากทีไรก็ทุกข์ทุกทีแหละใจดิ้นทีไรก็ทุกข์ทุกทีแหละงั้นฝึกนะฝึกในชีวิตธรรมดานี้แหละหัดดูบ่อยๆใจโลภขึ้นมาก็รู้ใจโกรธขึ้นมาก็รู้ใจลอยไปก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจหดหู่ก็รู้ดีใจก็รู้เสียใจก็รู้นะ เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้สงสัยก็รู้นะฟุ้งซ่านหดหรรดูรู้ไปเรื่อยๆอิจฉาริษยารู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องละนะให้รู้นะไม่ใช่ให้หละเพราะอะไรเพราะบรรดากุศลและอกุศลทั้งหลายเนี่ยมันจัดอยู่ในสังขารขันอันนี้เป็นเทคนิคข้เท็มนิดนึงนะคนไหนไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่จําเป็นหรอกสังขารขันอยู่ในกองทุกหน้าที่ต่อทุกคือรู้นะไม่ใช่คือละหน้าที่ต่อทุกคือรู้เพราะกิเลสเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยนะ ดูซิกิเลสนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงดูซิกูศลนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงดูไปเรื่อยเรือย่าไปอยากให้มันหายนะอย่าไปอยากให้มันอยู่นานนานอย่าไปอยากให้มันหายสิ่งทั้งหลายผ่านมาในความรู้สึกของเราดูเล่นเล่นไปได้เราจะเห็นเลยมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมารับผ่านไปทุกวันทุกวันดูไปดูจนมันพอพอมันพอเนี้ยมันจะเกิดกระบวนการตัดสินความรู้เนื้อกระบวนการของอริยมรรคเกิดขึ้นจิตมันจะดําเนินไปนะทั้งหมดนี้มี7ขณะท่านเอง ไม่ใช่วูบหมดสติแล้วก็ตื่นขึ้นมาเป็นพระโสดานะวูบครั้งที่สองเป็นสักระาขาไม่ใช่นะวูบหมดสตินั้นมันเป็นพฟลมลุกฟักไปนะใช้ไม่ได้จริงหรอกในขณะที่เกิดอริยะมากเกิดอริยผลมีจิตนะชื่อว่ามรรคจิตผลจิตมีเจตสิกคือทำที่ประกอบจิตอีกสาสิกว่าดวงเกิดร่วมกันไม่ใช่ว่าไม่มีสติไม่มีจิตไม่มีความรับรู้ไม่มีความรู้สึกไม่ใช่ต้องระมัดระวังนะเวลาเรียน ให้รู้กายให้รู้ใจตามความเป็นจริงไปเรื่อยนะอย่างพวกเราชาวเมืองดูใจของเราไปเรื่อยก่อนนอนนะหรือตื่นนอนใหม่ๆคิดถึงพระพุทธเจ้าบ้างไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยใจเราจะได้มีความสุขจเได้มีกําลังมีสมถรถคิดถึงพระพุทธเจ้าได้สมรรถนะคิดถึงพระพุทธเจ้าใจเราก็มีความสุขสงบเ บ, บิกบานให้มาได้สมรรถทุกวันเราเพื่ต้องมีเวลาอย่างนี้นะใจเราจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขพอใจเรามีความสุขแล้วหย่าเพลินในความสุข ให้ตามรู้กายตามความเป็นจริงตามรู้จิตตามความเป็นจริงเรื่อยไปอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตรู้สึกรู้สึกจนกระทั่งถึงจุดที่เขาเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวกุศลอกุศลก็เป็นของชั่วคราวที่เกิดแล้วดับหมดเลยพอมีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับทุกสิ่งเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้นะเนื่องว่าเห็นไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งเลย จิตจะหมดความดิ้นรนปรุงแต่งไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไม่ดิ้นรนต่อไปแล้วรู้แล้วจบลงที่รู้อย่างแท้จริงเพราะมีปัญญาปัญญาตัวนี้มีชื่อว่าสัง k a r u เ e k h a ญาณามีปัญญาเป็นอุเบกขาต่อความปรุงแต่งทั้งปวงทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วจิตที่เดินมาถึงสัง k a r u เ e k h a ญาณ น, นี้จะมีรอยแยกแล้มีทางแยกทางที่1สําหรับคนซึ่งมีมหากรุณาในจิตใจอยากช่วยคนอื่นกนะ็จะพลิกไปสู่พุทธภูมิ อีกทางหนึ่งนะเห็นโลคนี้น่าเอื้อมละอาไม่น่าติดอกติดใจนะก็จะพลิกไปสู่สา ว, วกภูมินะถราบมันพลิกไปสู่สา ว, วกภูมิจิตไม่จะรวมลงอัปปนาสมาธิก่อนนะจะเข้าฌานเองนะโดยที่เราไม่ได้เข้าจิตจะวกเข้าไปถึงฌานเองตั้งแต่ฌานที่หนึ่งขึ้นไปพอจิตรวมลงไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นสภาวธรรมเกิดดับสองขณะบ้างสามขณะบ้างหลนะจากนั้นจิตจะมันจะรู้สภาวธรรมที่เกิดดับสองสาขณะนี่ด้วยขันติ จิตจะมีองค์ธรรมที่โดดเด่นมากเลยคือขันติหมายถึงว่ามันมไม่สามารถสภาวะธรรมไม่สามารถมายุ่งจิตได้อีกแล้วถามว่าตรงนั้นรู้อะไรไม่สามารถตอบได้ว่ารู้อะไรรู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็สลายตัวไปดับไปนะัจิตจะไม่ปรุงแต่งอะไรต่อเลยไม่มีกระทั่งความคิดนะเหลือแต่รับรู้อยู่เห็นสภาวะธรรมเกิดดับอยู่พอเห็นสองขณะหรือ3ามขณะนะคนไหนที่ปัญญากล้าหน่อยก็เห็นสองขณะพอคนไหนที่ปัญญาไม่แก่กล้าต้องเห็น3ามขณะ ต้องเห็น3ามทีนะถึงจะยอมรับความจริงบางคนที่ปัญญากล้าเห็น2อทีก็ยอมรับความจริงจิตจะทวนกระแสแนละ้วเข้ามาห า, าธาตุรู้นะทวนกระแสช่วงที่มันทวนกระแสเนะไม่ได้จับอยู่กับโลกคือไม่ได้จับในรูปนามนะมันก็ไม่ใช่ปุถุชนแต่มันยังทวนกระแสเข้ามานะไม่ถึงาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นะไม่ถึงนิพพานไม่เห็นนิพพานนะก็ไม่ใช่พระิยะบุคคลเป็นครึ่งๆกลางๆสภาวะตัวนี้เกิดขึ้นชั่วแวบเดียวเองชั่วขณะจิตเดียว หลังจากนั้นเนี่ยมัคจิตจะเกิดขึ้นหนึ่งขณะนะโพรจิตเกิดสองสามขณะเอาย่อๆนะคืนพูดละเอียดเดี๋ยวจะจําไว้แล้วก็บอกชั้นบรรลุแล้วหลวงพ่อเจอพวกบรรลุแบบนี้เยอะมากเลยในนี้ที่หลวพ่อมาเล่าให้ฟังเนี่ยอยู่ในพระอภิธรรมนะพระอภิธรรมสอนละเอียดมากเลยน่าอัศจรรย์มากเลยว่าเรารักษาสืบทอดกันมาจนได้ดอนวันนี้อยู่ในพระอภิธรรมทั้งนั้นเลยนั้นสภาวะที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลเนี่ย เกิดขึ้นช่วงเจ็ขณะจิตเวลาที่มีมรรคเกิดขึ้นไม่ใช่หมดสติบูบลงไปตอนผลก็ไม่ใช่บูบไปไม่มีความรู้สึกตัวไม่ใช่มีมรรคจิตสี่ดวงผลจิตสี่ดวงถ้าอย่างละเอียดนะเรียกมรรคจิตมี20ดวงผลจิตอีกยี่สิบดวงนะพาะเราไม่ต้องเรียนมากนะเราเรียนแค่ว่าหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันให้ได้แต่ก่อนเจริญสติในชีวิตประจำวั น, นต้องถือศีลห้านะบอกแล้วว่าต้องมีศีล น, นะอย่างน้อยศีลห้าต้องถือไว้ก่อน ถือศีลห้าไว้แล้วสังเกตใจของเราไปเรื่อยเรียกว่าเรียนจิตสิกขาเรียนรู้ใจของตัวเองไปเรื่อยต่อไปก็จะเกิดปัญญาเห็นเลยทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจเรานี่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาผู้ที่เข้าใจจำแจ้งว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาคือพระโสดาบันถ้ายัางไม่แจ้งตัวนี้ไม่ใช่พระโสดาบันไม่ใช่วุบๆไปแล้วเป็นโสดาบันนะหลวงพ่อเคยเจอนะบางคนฝึกบอกได้ยานเท่าโน้นเท่านี้นะได้หลายรอบแนละ้ว วันดีคืนดีก็ลุกขึ้นตบกับสามีเพื่อนบอกให้เธอเป็นพระรหันต์แล้วนะเธอผิดตบกับสามีได้ไงฉันตบเป็นกริยาเอาอีกชาตินะเป็นกริยานะโออย่างนั้นมันหันไปหันมาแล้วนะพิกลสมันยังยอมจิตได้นะนั้นต้องฝึกต้องเรียนให้ดีนะอย่าเชื่อง่ายทุกวันนี้คําสอนที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเยอะกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนไหนเขามีความเชื่อต่างหากเขาก็สอนต่างหากไป เขาไม่ต้องมาอิงอาศัยอยู่ในศาสนาพุทธแต่อย่างในเมืองไทยเนี่ยศาสนาพุทชนะละทัทธิอื่นๆนะละทัทธิอื่นเลยแฝงมาอยู่ในศาสนาพุทธต้องระวังนะมิจฉาทิฏฐินานาชนิดนี่แหละมาอยู่ในกลุ่มชาวพุทธนะอย่างบางคนบอกว่าอาดีตไม่มีอยู่อยู่ๆเราก็มีปัจจุบันขึ้นมาเลยนะไม่รู้อดีตไม่ยอมรับความสืบเนื่องมาจากอาดีตนะพวกนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออาเหตุตุกะทิจิบางคนก็บอกว่าตายแล้วก็สูญไปไม่มีอะไรหรอกนะ นี่พวกนี้ไม่รู้แจ้งในอนาคตไม่มีอะไรมีแต่ความศูนย์พวกตายแล้วศูนนะก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุดเฉททิฏฐิพวกที่บอกว่าไม่มีอะไรเลยบุญก็ไม่มีบาปเพราะไม่มีมีชีวิตไปอยู่ตามอย่างที่โลกเขาเป็นนี่แหละเราก็เป็นคนดีละเพราะว่าเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายพวกนี้ชื่อว่านัตถิกาทิฏฐิไม่มีพวกหนึ่งไม่รู้แจ้งทั้งอดีตทั้งอนาคตของรูปธรรมนามธรรมนะไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเห็นว่าการกระทําทั้งหลาย ไม่มีจริงทําดีทําชั่วอะไรก็ไม่มีไม่มีการกระทําพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออกริยทิฏฐิอีกพวกหนึ่งเห็นว่ามีตัวเรามีใครรู้สึกว่าไม่มีตัวเราไหมรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนี่แหละมิจฉาทิฏฐิชื่ออัตตทิฏฐิคนที่ไม่มีมิจฉาทิฏฐิต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันนั้นท่านเห็นจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีมีแต่สภาวธรรมที่เกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อย เพรท่านยอมรับอดีตอดีตมีผลมาสู่ปัจจุบันปัจจุบันมีผลไปสู่อนาคตการกระทํามีผลทําดีต้องได้ผลอย่างนี้ทําชั่วต้องได้ผลอย่างนี้การกระทํามีจริงมนุษย์ถึงจะมีคุณค่าถ้าว่าทุกอย่างเป็นไปเองมนุษย์ก็ไม่มีคุณค่าอะไรไม่ต้องทําอะไรดีก็ดีเองชั่วก็ชั่วเองยกทุกสิ่งทุกอย่างให้อะไรก็ไม่รู้อย่างตัวที่เชื่อว่ามีตัวเราเนี่ยก็สืบเนื่องไปสู่มิจฉาทิฏฐิอื่นอื่นอ เช่นคิดว่าถ้าเราตายนะจิตจะออกจากร่างไปเกิดใหม่ไหนใครจะยอมรับไหมว่าเชื่ออย่างนี้มีไหมหรือตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ก็ตายแล้วจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่เลยพูดไปพูดมาแล้วชักงงใช่ไหมว่าสัมมาทิฏฐิอยู่ที่ไหนทําไมมันมีแต่มิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความรู้แจ้งอริยสัจอริยสัจมีองค์สีใช่ไหมมีทุกขสมุทยัยนิโรธมรร ทุกคืออะไรทุกคือรูปกระนามคือใครกระใจหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ตามความเป็นจริงสมุทัยคือตัวความอยากคือตัวตันหาหน้าที่ต่อตันหาคือการละนิโรธคือตัวนิพพานหน้าที่เราคือต้องไปแจ้งต้องแจ้งต้องประจักษนะ์มรต์ ก, ก็มีองค์8แลด้าเจริญไว้เจริญสตินี่แหละนะองค์ทั้ง8จะครบขึ้นมาเองเนี่ยเราก็ถ้ารู้แจ้งอริยสัจนะถึงจะเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิ แต่ว่ารู้เป็นลําดับลําดับไปนะถ้าโสดาก็รู้แบบโสดาฯสัคตะคาก็รู้อย่างสัคตะคาอนาคาหรือพระอราหันต์ก็รู้อีกอย่างรู้เป็นลําดับลําดับไม่เหมือนกันทีเดียวเพราะเราเบื้องต้นแค่ให้รู้สึกในกายในใจนะเห็นว่ากายมันไม่ใช่ตัวเราใจไม่ใช่ตัวเรารู้สึกอย่างนี้ก็พอละเพราะพระโสดารู้แค่นี้แหละเอาแค่นี้ก่อนอย่าถึงขนาดตั้งเป้านะบางคนมาถามหลวงพ่อทําไงผมจะละกามได้โอ้สกักกายทิฏฐิยังละไม่ได้ยังมาคุยเรื่องละกามขี้มโมอ้อบบเรา ชกมวยมันก็อยาข้ามรุ่นรุ่นแรกนะต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีแล้วสมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจขนาดนี้แล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมะแล้วจเจริญสติปัฏฐานให้ถูกต้องไม่ใช่กําหนดไปเรื่อยเพ่งไปเรื่อยนะั้นพวกเรารุ่นหลังๆแล้วเพี้ยนเลยยังเราไปแปลสติว่ากําหนดนะสติแปลว่าความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากําหนดกําหนดเป็นภาษาเขมรคือคําว่ากดนั่นเองคำว่ากฎที่แลงเป็นกําหนดนะคือขมไว้กดเอาไว้นะ ไม่ใช่สตินะสติคือความระลึกได้ระลึกถึงอะไรระลึกถึงอารมณ์ทั้งหลายสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงเห็นตัวสภาวะนี่มีสติสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากทีระสัญญาการที่จิตจําสภาวะได้แม่นจิตจะจําสภาวะได้แม่นต้องเห็นสภาวะบ่อยๆพวกเราหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งสติที่แท้จริงจะเกิดไม่ใช่กําหนดไปเรื่อยๆนะสมาธิจะเกิดขึ้นแทนสมถะจะเกิดขึ้นแทน เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะในอริธรรมีทั้งนั้นเลยนะเรื่องของสภาวะสภาวะของสติเป็นยังไงสติทําหน้าที่อะไรเมื่อสติทําหน้าที่แล้วจะเกิดผลเป็นยังไงผลที่เกิดกจากสตินะั่นคือการอารักขาจิตทันทีที่สติเกิดเนี่ยจิตซึ่งเคยชั่วอยู่ความจิตที่ชั่วจะดับทันทีจิตที่ไม่มีกุศลนะจะเกิดจิตที่เป็นกุศลทันทีเห็นไหมเนี่ยจิตทําหน้าที่อารักขาจิตสติทําหน้าที่อารักขาจิตสติเกิดจากทีรัสัญญาจิตจําสภาวะได้แม่น หาก ด, ดูสภาวะไว้เรื่อยๆนะโลคขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้ดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งสติเราจะเกิดคนที่เรียนกับหลวงพ่อตอนนี้สติเกิดแล้วนับไม่ท้วนแล้วนะสติเกิดแล้วนับไม่ท้วนแล้วบางคนมาสารภาพเลยว่าฝึกมาตั้งสิบปียี่สิบสามสิปีมันมีแต่สงบแล้วก็ฟุง้งฟุงแล้วก็สงบนั่นขึ้นไม่ปรัสนาไม่ได้ไม่มีสติตัวจริงแต่หาก ด, ดูสภาวะไปเรื่อยจนสติตัวจริงมันเกิดขึ้นมา แล้วก็มาเรียนอีกตัวหนึ่งนะใจที่ตั้งมั่นกับใจที่ตั้งแช่ใจที่ไหลไปกับใจที่ตั้งอยู่รู้สึกตัวอยู่ถ้ามีสติตัวหนึ่งนะมีสมาธิที่ใจที่ตั้งมั่นอีกตัวหนึ่งเราจะเจริญปัญญาได้เราจะเห็นไนดะ้รูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีวันใดเห็นว่าตัวเราไม่มีจะได้พระโสดาบันวันนี้เอาแค่พระโสดาพันพอเนาะมากกว่านี้เอาไว้ให้ได้เยอะกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาเรียนต่ อ, อเชิญ ค่ะไม่ทราบมีท่านผู้มีเกียรติญาติธรรมท่านไหนมีคําถามจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ไหมคะค่ะจะยกมือด้วยค่ะกระโดสังเกตไหมยกมือนะครับใจหายไปไหนตอนนี้รู้สึกไหมลืมกายลืมใจเมื่อไร่ลืมกายเมืม่อไรลืมใจเมื่อนั้นขาดสติเมื่อไร่รู้สึกกายเมื่อไหร่รู้สึกใจเมื่อนั้นมีสติเมื่อไหร่เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเมื่อนั้นมีปัญญางั้นอย่างเวลาเราเดินจงกลมนะ ถ้าจิตเราไม่เคลื่อนไปเลยจิตเราไปเกาะนิ่งอยู่ที่ร่างกายได้สมสถะนะแต่ถ้ามีปัญญาร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วก็มีมีปัญญาขึ้นมานะ mm hmm. เห็นในตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวอยู่เรียกว่ามีปัญญาในเวลาคําว่ารู้รู้ในศาสนาพุทธนะรู้ด้วยสองอย่างนะักรู้ด้วยสติกละรู้ด้วยปัญญาอย่างที่พระเจ้าสอนมนุษย์ทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่ รู้ชัดหมายถึงรู้ด้วยสติกับปัญญารู้ด้วยสติก็เห็นร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินรู้ด้วยปัญญาก็คือรู้ความจริงว่าตัวที่เดินอยู่มันไม่ใช่ตัวเราถ้ารู้อย่างนี้นะมันจะเป็นทางไปสู่มรรคผลได้ถ้ามีแต่สติเพ่งเอาเพ่งเอานั้นได้สมถะอ้าวชิญถามอย่าถามยากนะเหนืตอตอบไม่ได้ <c oughs> กลับน้มัส ก, การ พ, พระกุญจาเจ้าค่ะคือจริงๆเราต้องการส่งกันบ้านแล้วก็ที่ฝึอกอยู่เนี่ยคือหนูฝึก อ ย, อย่าไปเอ่ยชื่อตลอดก็ตอ้ตองแต่แต่คราวนี้เนี่ยคือตอนนี้ที่ที่รู้สึกอยู่คื อ, อยังติดที่จะใช้คำบริกรรมอเมือ่อะไรจิตบริกรรมนะจิตจะตกจากวิปัสสนาทันทีเลยเพราะถ้าเมื่อไรเจอด้วยความคิดลงไปเนี่ยนจะจอไม่ขึ้นอุทยพ ย, ายาัญาาสูงสุดเลยได้แค่สมสาาั ส, มสนิยามสมัสนิยามเป็นการรู้ไตรลักษณ์แต่รู้ด้วยการเปรียบเทียบ เช่นหน้าตาเราวันนี้กับวันก่อนไม่เหมือนกันแสดงว่าไม่เที่ยงเลยเวลาที่เราภาวนานะสภาวะธรรมจะเกิดขึ้นหลายตัวต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วอย่าสุดที่พอคุณโกรธความโกรธเกิดขึ้นก่อนในขณะที่ความโกรธเกิดนี้จิตเป็นอกุศลไม่มีสติหรอกในขณะนั้นถัดมาถ้าคุณเคยจิตไม่เคยจําสภาวะของความโกรธได้สติจ ะ, ะระลึก ข, ขึ้นมาที่ตัวที่สองสติะระลึกได้ว่าเมื่อกี้โกรธเมื่อกี้นะเมื่อกี้โกรธ หักจากนั้นเนี่ยจะพลาดแล้วจะบริกรรมโกรนเนาะโกรนเนาะตรงนี้จิตตกจากวิปัสสนาแล้วพะฉั้นตัวแรกจิตเปน็นอกุศลตรงที่โกรธจิตเปน็นอกุศลตรงที่รู้ว่าโกรธเนี่ยตัวเนี้ยจิตตัวนี้มีสติรู้ทันแล้วให้รู้ลงไปเฉยๆฉยได้จะเห็นในความโกรธนั้นเป็นอดีตแล้วเกิดระดับไปเรียบร้อยแล้วเอ๋อเข้าห้ามจี้วันนี้มีถ่ายทอดโทรทัศน์นแต่เวลาแต่เวลาที่ฝึกเหมือนกับระลึกรู้เนี่ย ม, มันเบาวกว่าหรือมันแผ่วกว่าจนไม่ชัดนะคะ เเมื่อทียบบกับไม่ต้องชัดเรายังสติเพรเราไม่ขมหัดใหม่ๆเนี่ยหัดระลึกไประลึกไปเรื่อยๆหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังนะเหมือนซใครเคยเห็นสะพานต่ําบ้านนอกมั้งที่ทําด้วยไม้ไผ่ลําเดียวะ่ะมีไม้ไผ่ทอดข้ามคลองนะแล้วก็มีไม้ไผ่อีกลำหนึ่งอยู่ข้างๆเอาไว้จับถ้าเรากําหนดไปเรื่อยเหมือนเราจับราวสะพานไว้ไม่ยอมปล่อยเราทําสมถะนั่นเองถ้าเราทําแต่สมถะ น, นะเรารักษาจิตเอาไว้ดีนะไม่ตกสะพานไป รักษาจิตเนี่ยรู้ตัวดูตลอดวันหนึ่งแต่มันเดินปัญญาไม่ได้มันข้ามคลองไม่ได้ข้ามฟากไม่ได้เวลาเราจะข้ามสะพานใช่ไหมต้องใจแข็งปล่อยมือสิเซบ้างนะทำท่าจะตกแล้วค่อยรักคว้าราวสะพานไว้งั้นเวลาที่เราจะทําสมถะเนี่ยเราจะทําตอนที่เราไม่มีแรงทํำมิปัสสนาถ้าเมื่อไหร่เรามีกําลังพอนะเราก็ใจแข็งๆนะอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งอย่าไปกําหนดไว้ปล่อยมันปล่อยให้มันทํางานไป พอปล่อให้มันทํางานไปเนี่ยโอกาสที่จะตกน้ํามีคือหลงไปเลยเป็นอกุศลนานๆมีแต่โอกาสที่จะได้คะแนนก็มีจับเอาไว้นิ่งๆงไม่ได้คะแนนหรอกหรือการปฏิบัติเขาคล้ายๆการลงทุนนะเรากลัวมากเลยว่าลงทุนแล้วจะเจ๊งชาตินี้ไม่ลงทุนอะไรเลยนะเอาเงินใส่ตุ่มฝังไว้เฉยๆแล้วก็กินของเดิมไปเรื่อยๆนะหมดทุนไปเรื่อยๆนั่นคือพวกที่ติดสมถรถส่วนนักลงทุนนะมีความเสี่ยงใช่ไหมเสี่ยงที่จะเจ๊งหรือเสี่ยงที่จะกําไร ทำพิพิธศาสนานี่แหละมีความเสี่ยงแต่ว่าต้องฉลาดพอที่จะไม่เสี่ยงมากเกินไปเวลาที่เราจะทําิพิธัาสนานะเราต้องปล่อยให้กายให้ใจเนี่ยทำงานอย่างอิสระแล้วเราตามดูท่านถึงสอนวาเพราะรู้ตามความเป็นจริงนะจึงเบื่อหน่ายไม่ใช่เพราะดัดแปลงเก่งแล้วเบื่อหน่ายนะถ้าเราไปดัดแปลงเราไปควบคุมเราไปบังคับมันจะรู้สึกว่ากูเก่งด้วยซ้ำไปแทนที่จะเห็นว่าไม่มีตัวกูงั้นต้องใจแข็งๆนะอย่าไปประคองจิตให้นิ่ง ลอยให้มันทํางานแล้วมีสติตามดูไปรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างตรงเผลอนี่ก็คล้ายๆตกน้ำไปตรงที่รู้เนี่ก็คือเดินไปได้อีก2อสามเก้าคืบหน้าไปได้ไหนๆเกิดทั้งทีแล้วอย่าหยุดอยู่กับที่ก็แล้วกันถ้าอยากเรียนมากกว่านี้นะให้ลึกซึ้งกว่านี้ต้องไปเรียนที่วัด น, นะที่วัดหลวงพ่อไม่มีกล้อง <c oughs> เราจะเรียนถึงตัวสภาวะกันล้วนๆเลยขอบคุณเจ้าค่ะนั่งพิการเจ้าค่ะเออเจคาขอได้ ที่เรากําหนดรู้นี่นะคะรู้ลงที่ใจเลยใช่ไหมคะไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่หรือยิ่งคือถ้าเราจงใจจะไปดูที่ใจนะมันคือการเพ่งจิต <S S S ค่ะการเพ่งจิตก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องได้สมรถ ะ, ะให้ให้รู้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอย่างโยมรู้สึกไหมเวลาฟังอาตมาพูดเนี่ยบางทีก็ตั้งใจฟังใช่ไหมฟังสองสามคจิตก็สลับไปคิดรู้สึกไหมต้องคิดตามเวลาเราปฏิบัติธรรมนะ จิตไปฟังรู้ว่าจิตไปฟังจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดดูออกไหมมันสลับกันตลอดอะเ น, นี่ยการที่เราคอยรู้ทันสภาวะสดสดร้อนร้อนนี่แหละนี่แหละคือการดูจิตสอนยากนิดนึง <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าโยกสอนยากนะหมายถึงว่าวิธีสอนของหลวงพ่อนะ่ะมันโลดโผนกว่านี้วันนี้เอากล้องมาตั้งโค้ดบอกว่าอย่าไปจี้เขานะกลาวนมสการหลวงพ่อค่ะก็ถูก น, นนะ ยมรู้สึกไหมตอนเลิกคุยกับหลวงพ่อแล้วจิตหนีไปไหนทราบไหมเกิดนึกได้แล้วใช้วิธีถามเอ้เมื่อกี้จิตไปไหนทราบไหมรู้สึกไหมลืมกายลืมใจในั่นแหล ะ, ะขาสติละสังเกตไหมตอนมารอฟังหลวงพ่อพูดอะ่ะก็ลืมกายลืมใจอีกแล้วนี่ยหัดรู้อย่างนี้นะเนื้อใจวิธีถามอ่ะกราบในมรรคการหลวงพ่อค่ะ ลูกในานาม ต, ตัวแทนของสถาบันวิมุตตยาลัยโดยพระอาจารย์ววชิระเมธีวันนี้ท่านทราบ ว, ว่าลูกมากราบนมัส ก, การหลวงพ่อแล้วก็ได้รับฟังทำมาเทศนาจากหลวงพ่อท่านก็เลยฝากลูกมากราบนมัส ก, การหลวงพ่อด้วยค่ะแล้วก็ลูกมีคําถามอยากจะถามคือว่าเมื่อประมาณเดือนมีนาคมลูกได้ซีดีนะคะจากบ้านอารีจากพี่ใหม่เป็นซีดีที่ทําให้ชีวิตลูกเกิดการเปลี่ยนแปลงมาก ลูกได้ฟังมาตลอดแล้วก็ลองทําตามลองตามรู้สภาพกายใจดูอยากเรียนถามว่าที่ลูกทํามาทั้งหมดปฏิบัติมาทั้งหมดลูกทําถูกหรือเปล่าคะถูกสินะดีแล้วแหละแต่ต้องทํายิ่งกว่านี้ต้องมากกว่านี้ใช่ไหมคะ่ะยิ่งกว่านี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเพ่งมากกว่านี้นะหรือว่าไม่ใช่เพิ่มชั่วโมงนะต้องทําให้สบายกว่านี้ค่ะนะเครียดไปแข็งไปหน่อยค่ะอย่าไปกดตัวเองค่ะ นะเราต้องการรู้ความเป็นจริงเราปล่อยให้กายทํางานให้ใจทํางานแล้วเราค่อยรู้เอานะของคุณกดแรงไปนิดนึงหลพ่อคะ่ะแล้วลูกค้นพบตัวเองว่ากรรมฐานที่จะใช้ในการเป็นเครื่องอยู่ให้สภาพจิตใจนิ่งหรือว่าแข็งแรงขึ้นของลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการหายใจเข้าออกหรือว่าพองยุบเนี่ยลูกทำแล้วอึดอัดคะ่ะลูกยังหากรรมฐานที่เหมาะสมกับตัวเองไม่ได้ทําไมอึดอัดเราทําด้วยโลภะ เช่นเราจะไปดูท้องผองยุคเนี่ยใจเบื้องต้นเราอยากก่อนที่เราอยากดีเห็นไหมอยากสุขอยากสงบอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้พออยากแล้วเราก็ไปบังคับตัวเองไ่เพ่งเอาไว้ไม่ให้จิตหนีไปไหนเลยจะให้มันอยู่ตรงนี้แหะจิตเหมือนเด็กนะเราอย่าไปบังคับเด็กเด็กจะเครียดถ้าถ้าเราอยากเลี้ยงเด็กให้ดีนะเราก็ปล่อยให้เด็กมันสนเมื่แล้วเราก็คอยตามชำรงดูอย่าไปจ้องแบบให้คลาสายตานั้นเด็กประสาทกินหมดนั่นใจเรานี้เหมือนกันอย่าไปจ้องไม่ให้คลาสายตา ปล่อยเซฟปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยให้สบายกว่านี้ตอนนี้ยังไม่สบายดูออกไหมดูออกค่ะต้องปล่อยนะให้มันเป็นอิสระเป็นธรรมชาติธรรมดาจริงๆอย่างตอนเนี้เมื่อกี้อยากพูดรู้สึกไหมเอ๊ะไม่ใด้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ยังไงดีเมื่อเวลาใจเราอยากพูดแนละ้วเราก็รู้ทันมันเอนะเอเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปได้เราจะเห็นเลยจิตมันทํางานเองทั้งวันทั้งคืนหนูจะมีความกาเวลาเราอยากพูดรู้สึกไหม เวลาแต่เราอยากพูดเราก็รู้ทันอ้ากังวลแล้วรู้ไงหนูจะมีความกังวลว่าถ้าเกิดเวลาที่เราบังเอิญถ้าเกิดว่าเราเกิดเป็นอะไรไปใช่ไหมคะเกิดจุดติดจิตมันเกิดดับไปนะตรงเนี้ยแล้วในขณะนั้นเนี่ยเรากำลังอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ได้ไม่ได้เพ่งหรือว่าไม่ได้ดูอยู่เนี่ยมันจะไปอบายอะค่ะธรรมดาต้องไปอบาย สัตว์ทั้งหลายนะไปเอ า, ายเยอะเทียบไม่ง่ายเลยเห็นไหมคน่ะเราว่าคนเยอะใช่ไหมเทียบกับมแมลงสักฝูงหนึ่งเยอะไปนะแต่ว่าคุณอย่า ก, กลัวมากกลัวมากเกินไปก็เป็นโทสะอีกชนิดหนึ่งนะความกลัวเป็นโทสะนะคุณจเจริญสติไปเถอะหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจนะเมื่อเราหัดมากเข้ามากเข้าเวลามันคับขันจริงๆนะสติปัญญามันทางานขึ้นมาเองคนที่เรียนกับหลวงพ่อนี่ยมาส่งกันบ้านเยอะเลย ประเภทลดกว้มลดหงายลถหมุนอะไรเนี่ยนะพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยวูบแรกตกใจสติระลึกทันทีเลยเห็นความตกใจจิตตั้งมั่นขึ้นมาแนละ้วเหมือนกับหมดทุกไลน์เลยที่ฝึกอะพอจิตตั้งมั่นนี่นะลถจะหมุนยังไงตัวจะแกว่งยังไงเห็นหมดเลยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจยอมรับสภาพแล้วตายก็ตายแล้วตรง น, นั้นกุศลมันเกิดขึ้นอัตโนมัตินี่คนที่ฝึกกับหลวงพ่อแล้วก็เวลาไปเสี่ยงตายแนละ้วเป็นอย่างนี้ทุกคนเลย แล้วมาลือกันผิดผิดนะว่าหลวงพ่อขลัง <c oughs> <c oughs> ความจริงเพราะเรามีสติเมื่อไหร่เรามีสตินะมันมีพลังอย่า ก, กลัวนะทำเหตุทำปัจจุบันนี้ให้ดีมีสติให้มากเวลาคับขันจนตัวเวลาจะตายจริงๆนะสติปัญญาจะคุ้มครองใจเราธรรมะนั่นแหละจะคุ้มครองเราแต่ธรรมะจะคุ้มครองใครคุ้มครองคนที่ไม่ทอดทิ้งธรรมะธรรมะไม่คุ้มครองคนที่ที่ทอดทิ้งธรรมะ คนที่ทอดทิ้งธรรมะก็คือคนซึ่งลืมกายลืมใจตัวเองเพราะกายเราเป็นธรรมะนะชื่อรูปประธรรมใจเราเป็นธรรมะชื่อว่านามประธรรมาถ้าเราคอยมีสติรู้กายรู้ใจเนืองเนืองเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสติปัญญามจะทำงานจีขึ้นมาเลยมันช่วยตัวเองขึ้นมาไดเ้เรามีบททดสอบให้ดูมากมายเลยหลวงพ่อก็เคยเป็นนะตอนนู้นภาวนามไม่นานหรอกก็ขับรถไปไปบ้านนอกไม่เคยเจอไอสะพานหัวแบนแบนอะ ขับมาเต็มเหนียวเลยนะลอยทั้งสี่ล้อเลยหัวนี่ก็แทกเพดานด้วยมองลงมาข้างหน้าเราเนี่ยเลยถนนไปอีกไม่กี่เมตนนะ่ะหักศอกใจนี่มันไม่ไหวเลยเหยียบเบรกกลาอากาศเลยพอรถกระแทกถึงพื้นเด้งขึ้นมาอีกทีแล้วก็วิ่งต่อตรงนี้ไม่เหยียบเบรกละแต่ว่าโมเมนตัมมันลดไปเยอะและ้ะเวลาที่จวนตัวขึ้นมานะสติปัญญาทํางานหมุนจีขึ้นมามันจะคุ้มครองเราแต่ว่าถ้าเพ่งไวอ้อย่างเงี้ยน่าสงสารมากเลย มันเหนื่อยรู้สึกไหมอทำไมต้องเพ่งเพราะอยากดีทำไมต้องเพ่งเพราะกลัวไม่ดีเพราะยินดีเพราะยินร้ายเพราะเวลาที่เห็นความไม่ดีเกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ดีได้ขนาดนี้ยงเงเราจะฝึกจนมันไม่มีเราที่ไม่ดีนะฝึกจนมันไม่เห็นมีตัวเราพราะพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะบอกว่าพิสูจทั้งหลายห้ามกโกรธพิสูทั้งหลายห้ามโลภห้ามหลง ภิกทั้งหลายเมื่อโกรธแล้วรีบละเสียเมื่อโลภแล้วรีบละเมื่อหลงแล้วรีบละเคยได้ยินในสูตรใดไหมท่านมีแต่สานบอกว่าดูกราฟิกสูตรทั้งหลา ย, า น, น, าลายนะเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะท่านไม่ได้บอกว่าห้ามมีโทสะนะแล้วท่านไม่ได้บอกว่าให้ละโทสะทบอกภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะให้รู้ว่าไม่มีโทสะทําไมต้องเป็นคู่คู่เพราะทันทีที่รู้ว่าจิตมีโทสะจิตจะไม่มีโทสะนะในขณะนั้นจะเกิดธรรมที่เป็นคู่กันขึ้นมา เหลือภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโลภะให้รู้ว่ามีโลภะจิตไม่มีโลภะก็รู้ว่าไม่มีโลภะภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะคือหลงไปนะแต่จิตไม่มีโมหะคือจิตรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้อย่างที่เขาเป็นจงรู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริงรู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริงไม่ใช่ดัดแปลงนะไม่ใช่โกรธขึ้นมาโกรธเนอโกรธเนา อ, อันนั้นเข้าไปแทรกแซงแล้วเมื่อกี้ทําอะไรเมื่อกี้เนี้ยเออได้วิธีละเบอค่ะเออเบอร์ตอบถูกใช้ได้เนี่ยหัดดูสภาวะไปนะ ดูไปคนอื่นบ้างนมัสการค่ะหลวงพ่อเอปดาหเดือนที่แล้วนะคะเอที่ได้พบพระอาจารย์นะคะติดประคองแล้วก็จงใจนะคะอาจารย์ไม่ทราบว่าตอนนี้นี่ดีขึ้นไหมคะอาจารย์ถามอย่างนี้ต้องไปถับที่วัดค่ะสังเกตของเราสิใจเราคล่องแคล่วปลัดเปรียวพอไหมหรือยังหนักยังแน่นยังซึมยังทื่อยู่ก็ยังมีแบบนิ่งๆอยู่นั่นยังตอบของเราเองได้ค่ะ ต้องไปถามที่วัดแหละค่ะการนมัสการหลวงพ่อครับถ้าเกิดว่าที่บอกว่าจิตตั้งมันเนี่ยมันตั้งมันเนี่ยมันจะเป็นช่วงยาวๆไหมครับไม่าตั้งมั่เป็นขณะขณะอ๋อเป็นขณะปัจจุบันนะขณะเดียวนะปัจจุบันไม่ใช่2องขณะครับแล้วแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าฝึกไปฝึกไปเนี่ยการตั้งมันจะยาวขึ้นไหมครับไม่ยาวแต่บ่อยจุดเหมือนเดิมจะบ่อยจุดเหมือนเดิมเขาสภาวธรรมนะจิตนั้นมันเกิดดับเป็นขณะขณะไป มันไม่ใช่ว่าจิตพระละหันยาวจิตของเราอายุสั้นไม่ใช่นะ <c oughs> เกิดดับดขณะขณะขณะแย่แต่ว่าจิตของคนทั่วไปเนี่ยอกุศลมันเกิดเยอะกุศลมันแทบไม่เกิดเลยหลงทั้งวันเมื่อกี้เนี้ยรู้จักไหมหลงถามธรรมการท่านอาจารย์เจ้าค่ะ อ, อ, อยากจะกลับเรียนถามท่านว่าสภาวะอย่างนี้มันคืออะไรคือขณะที่ เราตามเรารู้เรียาบทต่างๆในชีวิตประจาวันอยู่ไม่ต้องถามล้อดูไปเหอะมันเกิดเกิดอะไรขึ้นมาที่มันเป็นไปเองเ ร, เ, เราเห็นแนละ้วก็เราเห็นแล้วมันเป็นไปเองมันไม่ใช่ตัวเราก็ดีแล้เนี่ยก็ดูต่อไปอีกนั่นคือสติมีสติมีใจที่ตั้งมั่นก็ เ, เกิดปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นไปเองไม่ใช่ตัวเรามีสตินะมีสัมมาสมาธิใจก็ตั้งมั่นนะนะ เห็นสภาวะทั้งหลายที่สติไปะระลึกเนี่ยเกิดระดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่พ่อนาอยู่น่ะถูกเป๊ะเลยกราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะขอถามคําถามที่อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องวันนี้เพราะว่าไม่มีประสบการณ์เรื่องการนั่งอรรมท า, านแล้วก็สมาธิมาก่อนแต่เห็นจากการบรรยายของหลวงพ่อกับจิต ท, ที่เป็นกุศลอยากให้หลวงพ่อแนะนําว่าในสถานการณ์บ้านเมืองอย่างเนี้ เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยควรทำจิตใจอย่างไรควรจะทำยังไงเพื่อที่จะใช้ธรรมะเนี่ยให้เห็นว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยพุทธศาสนิกชนซึ่งนับถือาศาสนาพุทธเนี่ยได้ใช้สิ่งที่เป็นหลักธรรมเนี่ยมาค้ำจุนแผ่นดินค่ะขอบคุณคะ่ะขั้นแรกนะต้องให้สติรักษาจิตไว้ก่อนถ้าจิตเรายังไม่มีปัญญารักษารักษาแผ่นดินไม่ไหวหรอก <c oughs> เราต้องฝึกของเราให้ดีนะ ทุกวันนี้เราแยกค่ายกันเราแบ่งแยกกันทุกคนเลยนะในบ้านเดียวกันยังมีสองค่ายเลยรู้สึกไหมเคยมียุคใดสมัยใดมันอุบัติเท่านี้ไหมทำไมเราลืมไปนะว่าจริงๆเราเป็นอะไรอย่างถ้าคุณบอกว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธไม่ได้แบ่งแยกนะนะเรื่องที่ทะเลาะกันก็ไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธด้วยอย่างวัดหลวงพ่อนะหลวงพ่อเลยบอกหลวงพ่อไม่มีไซส์นะไม่เทคไซส์ทางการเมืองลูกศิษย์หลวงพ่อมีทั้งสองค่ายเลย ว่าหนึ่งพอตอนเช้ามาฟังทำเสร็จนะเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปร่วมชุมนุมนะนะมีนะบาคนขยันมาบอกว่าเกิดปลูก ป, ปรับตายตอนนั้นจะได้ไปสุคตนะนะินี่เรียกว่าผู้ประท้วงแบบรับขอบนะฝ่ายรัฐบาลก็มีหลวงพ่อหนึ่บอกว่าวัดหลวงพ่อนะเราเว้นไว้ที่หนึ่งได้ไหมนะให้มันไม่มีค่ายให้ทุกคนมาเรียนในฐานะที่ทุกคนเป็นลูกของพระพุทธเจ้า เหมือนอย่างที่พระพุทธพรเจ้าอยู่หัวท่านก็พยายามบอก mm hmm. ใช่ไหมทุกคนมันก็คนไทยอะไรเงี้ยเราทาหารเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อนะเราก็ช่วยกันทําลายโกรธแค้นอ่ะโกรธไหมของคุณไม่ค่อยโกรธหรอกว่าคุณเพ่งมาเยอะแปลว่าอะไรเจ้าขาเพ่งมาเยอะถ้าเรากดใจเราให้นิ่งนะเราไม่โกรธหลวงพ่อทําหน้าให้ดูนะใครอยากด่าเชิญ ถ้าออกมาตรงนี้อย่าด่านะเดน๋ยวชกให้คือถ้าเราภาวนานะอย่าปกดมันให้รู้ตามความเป็นจริงห่วงบ้านเมืองก็ดีแล้วนะเพราะว่าไม่มีบ้านเมืองเราก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าก่อนจะห่วงบ้านเมืองห่วงตัวเองจะบ้างดูตัวเองนะดูใจของเราใจของเราไม่ถูกอกุศลครอบงามันจะเต็มไปด้วยเหตุผลทุกวันนี้เราขาดสติ ขาสติก็มีแต่โทสะเข้าใส่ซึ่งกันและกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้านเมืองเต็มไปด้วยโทสะโทสะมันนำไปสู่อะไรไปอบายนะมันเรากำลังช่วยกันสร้างบ้านเมืองให้เป็นอบายภูมิหรือยังไงทำไมเราไม่ตั้งสติให้ดีละ่ะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาก่อนนะอย่ากเกลียดจังทัน ท, ทีที่เราเกลียดคนอื่นความทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีเลยเนี่ยจะไปถึงคนที่ใช่เจ้าค่ะ มันถึงคนทุกคนไม่ได้าศาสนาพุทธไม่ได้เหมาะกับคนทั่วๆไปหรอกยิ่งหมายถึงผู้นาอะค่ะผู้นำเขาไม่มีเวลาฟังหรอกหูเขาอื้อเพราะว่าคนโน้นประท้วงคนนี้ประท้วงไม่ได้ฟังหลวงพ่อหรอกอย่าห่วงคนอื่นนักเลยนะห่วงตัวเองก่อน ทราบแล้วค่ะว่าถ้าถามคําถามนี้หลวงพ่อจะต้องตอบประโยคนี้ ซ, ซึ่งซึ่งอันนี้จริงแต่ว่าขนาดเดียวกันก็อยากให้พลังบุญที่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยช่วยแผ่นดินได้บ้างอะคะ่ะเ ม, มใช่ใครกลุ่ ม, <ห>มใดกลุ่มหนึ่งน ะ, นะคะเรามีความเมตตาจริงๆริงไหมหรือเราเมตตาเฉพาะคนที่เห็นด้วยกับเราความเมตตาของเราคับแคบหรือความเมตตาของเราไม่มีประมาณถ้าเราเมตตาเฉพาะพวกเราอย่างนั้นใครเข้าก็เมตตาใช่ไหม เมตตาอย่างนั้นจริงๆก็ไม่เรียกว่าเมตตานะแต่เรียกว่าราคะมันรักพวกรักพ้องกันขึ้นมามีราคะได้โทสะมันก็มีได้มีพวกเรามีพวกเขาชาวพุทธที่แท้นะจะไม่มองคนอื่นก่อนหรอกมีปัญหาเนี่จะมองเข้ามาที่ใจของเราก่อนจัดการกับกิเลสของเราก่อนพอใจเราปลอดโปร่งจริงๆนะไม่ได้ถูกอคติทั้งหล่ครอบงำไปแก้ปัญหาด้วยเหตุด้วยผล พอโทรสะมันเกิดนะเราลืมเหตุลืมผลไปหมดคราวนี้มันก็มีแต่ความรุนแรงไม่เคยมีใครชนะด้วยความรุนแรงนะพอละเมิงถามอะไรกันบ้านกัรเมืองหลวงก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็เคยอ่านหนะังสือพิมพ์ที่ไหนละ่ะมิทยุก็ไม่มีตัวทัศน์ก็ไม่มีไม่รู้เรื่องหรอกนมรรคการเจ้าค่ะเพราะคุณเจ้าท่าีเจ้ า, าค่ะเคยอยากจะสอบถามพระคุณเจ้านิดนึงอะค่ะว่าอ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นจะเริ่มปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ตามที่พระคุณเจ้าบอกว่าให้ตามดูจิตทีนี้ถ้าสมมุติว่าสําหรับผู้เริ่มต้นอย่างเงี้ยค่ะดูจิตย้อนหลังได้ไหมคะดูจิตต้องดูย้อนหลังอผู้ชํานาญแล้วก็อย่าง้อนย้อนหลังย้อนหลังนี่ได้หมายถึว่าต้อง<บ>ย้อนสดสดร้อนๆอนนะไม่ใช่เมื่อ <มะ S 1> วานโกรธวันนี้รู้นี่ใช้ไม่ได้ <laughs> พอโกรธไปนะโกรธเกิดขึ้นก่อนแล้วก็มีสติรู้ว่าโกรธโลภเกิดขึ้นก่อนแล้วมีสติรู้ว่าโลภ ที่ที่ที่หนูหมายถึงนี่คือหมายถึงว่าแบบเราลืมที่จะระลึกรู้ไปค่ะใช่ทำไมจิตมันไม่ระลึกไม่มีใครสั่งจิตให้มีสติได้เพราะสติเป็นอนัตตาจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่ว่าถ้าเมื่อไรจิตจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดขึ้นเองจะระลึกเองโดยไม่เจตนาระลึกถ้าจิตเราไประลึกรู้สภาวะได้โดยไม่เจตนาเป็นกุศลที่มีกําลังกล้า เขาเรียกว่ามหากศรศลุรจิตยามยานสัมพยุตอาสังขาริกังไม่ได้จงใจถ้าจงใจอยู่มีกําลังอ่อนงั้นเราต้องฝึกนะหัดดูสภาวะไปเรื่อยขั้นแรกถือศีลห้ไว้ก่อนนะถือศีลห้าไว้ก่อนศีลเป็นข้ อ, ขอๆแหละซื้อไปแล้วก็หัดดูสภาวะในใจของเราไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปสติจะเกิดเองควที่เรียนกับหลวงพ่อประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวนี้ประมาณเดือนหนึ่งก็สติเกิดแล้ว เวลาส่งกันบ้านกันทีนะหน้าฟังบางทีพระท่านมาไกลๆกนะท่านมานั่งฟังมาบอกหลวงพ่อเลยว่าโยมวันนี้น่ากลัวชะมัดเด็กเจดเด็ก8ดขวบเก้าขวบอะไรนั้นส่งกันบ้านหน้าฟังนะเขาเห็นถึงขนาดว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีช่องว่างมาคั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปมีช่องว่างมาคั้นตรงที่เห็นมันมีช่องว่างมาคั้นมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนให้เห็นว่าสันตติคือความสืบเนื่องแล้ขาดลงแล้วสามารถเจริญมีปัสนาที่แท้จริงท่าสันติมันขาดลงไปแล้ว นจะเห็นเลยว่าจิตที่เดิมนึกว่ามีอยู่อันเดียวรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราในอดีตเป็นคนเดียวกันแต่พอสันตติขาดนั้นจะเห็นเลยจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งคนละดวงกันมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันจะไม่มีตัวเราไ ป, ไปถือศีลห้าก่อนนะแล้วก็หัดดูสภาวะไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งก็จะไม่ค่อยมาถามหลวงพ่ออย่างนี้แล้วไม่ได้ยากเท่าที่คิด ง, ง่ายง่ายง่ายมากเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อใช้คำว่าง่ายนิดเดียว พวกเราเลยย้อนยากเยอะเดี๋ยนี้หลวงพ่อเลยเปรียบเองง่ายมากง่ายมากก็ยากน้อยกลับมานาสการค่ะ อ, อ, อยากทราบถึงจริตที่ฝึกวิปัสสนานะค่ะที่เมื่อกี้ที่ไหนฮะทีนี้<ม>ที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่ามีมาณาจริตกับไม่ไม่ใช่<อ>เนี่ยเทศยังไม่ทันจบเปลี่ยนละ ตันหาจริตกับทิฏฐิจริตนะตันหาจริตเ น, นี่ยนะพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยกรมมฐานที่เหมาะกับพวกนี้คือการรู้กายหรือเวทนากายรู้ง่ายเวทนารู้ยากอีกจริตหนึ่งชื่อทิฏฐิจริตพวกช่างคิดอ ะ, ะพวกช่างคิดนะ<ป glasses>พวกวิวกวจัยวิจารวิเคราะห์วิภาควีวีทั้งหลายนั่นแหละวิภาควิจารณ์พวกช่างคิดพวกช่างคิดเนี่ยให้ดูจิตเอาจิตจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลย ดูจิตไปเรื่อยๆพอดูจิตมากๆเราจะเห็นเลยว่ากระทั่งจิตของเราเรายังบังคับไม่ได้เลยเราจะไปอยากให้คนอื่นเขาเป็นอย่างใจเราได้ไงจะไม่มายึดในความคิดความเห็นของตัวเองรุนแรงคนเราทุกวันนี้ที่ทะเลาะ ก, กันนะเพราะสองสิ่งเท่านั้นนะเพราะตัณหาและทิฏฐิพูดอย่างพุทธเจ้าสอนตัณหาถ้าพูดให้เป็นภาษาสมัยใหม่นะลผลประโยชน์มันขัดแย้งกันก็ต้องตีกันทิฏฐิมันขัดแย้งกันคือความคิดความเห็นลัตติอุดมการขัดแย้งกันก็ต้องฆ่า ก, กัน นี่ถ้าเรามาจเจริญสตินะใจก็ไม่ถูกตันหาครอบงําไม่ถูกทิฏฐิครอบงำไม่ทําร้ายกันหรอกเราจะมองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรนะด้วยสายตาที่อ่อนโยนไม่มีพวกไหนพวกไหนหรอกมีแต่เพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นน่าสงสารทุกคนเลยหมดเวลายั่งขึณด้วยกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเหมดแล้วอ้างได้อีกคนเดียวอ่ะกราบนมาสการเจ้าค่ะไม่ได้ไปสักดิการบ้านหลวงพ่อมาประมาณเกือบปีแล้วจิตเหมือนเดิมไหมลนะ่ะก็ จิตตั้งมั่นมากขึ้นนะครับถูกต้องแต่ว่าก็ยังยังดูหลงอยู่เป็นงไงดูหลงไมยถึงว่าดูดูหลงจะไม่ไม่เพ่งเหรอเจ้าก็คือดูหลงไปเรื่อยๆตอนนี้เข้าใจว่าสะสมเชิงปริมาณอยู่ถูกต้องไม่เจ้าค่ะถูกต้องแต่ว่าอย่ามาข้ามครวนกับหลวงพ่อนะรู้สึกไม่ไม่ได้เล่าเฉยๆเจ้าค่ะแอบมาข้ามครวนโอดครวนน้าหมดเวลาละ ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่ชนิดนันจันเจ้าชายเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับถวายจจตุปัจจั ย, ยธรรมแต่ทนาจารย์ประโมทและขอให้ทุกท่านในที่นี้น้อมจิตพนมมือพร้อมกันนะครับอละเชิญรับพรจากพระอาจารย์ครับยถาวาริวหะปุราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวายโตดินังเปตานังอุปกะปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสพเพปูเรนตูสังกป่าจันโทพันนรสอยาามณีโชติราโสยทาสัภีติโยวิวัตชันตูสภโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังอุทธาปัจจายโนจัตตาโรโอธรมาวทันตีอายุวันโนสุขขังพระลัง ฟังแล้วต้องฝึกนะฝึกนะธรรมะฟังเฉยๆก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกฝึกแล้วจะเห็นผลด้วยตัวเองนะหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆเราๆเดือนหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนจนตัวเองรู้สึกได้คนรอบข้างก็รู้สึกได้ไม่ใช่ฝึกอยู่หลายปีก็เหมือนเดิมนะถ้าทำถูกจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยหลวพ่อไปก่อนนะ